อย่างนี้อากาศโอเคไหมโอเคนะครับโอเคมีข้อนะครับาเดี๋ยวจะร้อนเปิดได้แล้วเปิดก็ได้ปิดก็ได้ไม่เป็นไรนอยู่นายไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ร้อนอยนู่อย่างนี้โอเคเปิดก็ ตกลงจะแต่งงานเนันุกเียแต่งทิี่กาหนดแต่งวันวันที่เทไรสวันที่เก้าวันที่เจ็ดวันที่เจพอสุกวันที่เนะต่ว่าในสองวันมงานเช้าวันที่เจ็แล้วกีวันที่้ดูเพียรนิดหน่อยเพราะว่าเออก็เลยแบบว่ายุ่งนิดหนึ่งะคะแต่ก็ เราเป็นหนักมากเลยนะทำไมออกกำลังกายใส่ช <iques> <language> ุดไม่เข okay. <sm ack> uh ้าโอ้ไปออกกำลังกายยังอ๋อค่ะตลอดอยู่นะคแต่ช่วงนี้ทั้งออกกำลังกายทั้งอดอาหารด้วยครับปกติออกแล้กินทานเลยก็ไม่ถึงกับอดแต่ว่าทานน้อยลง นอนไม่ค่อยจะหลักก็เลยเครีย ด, ยดแล้วพัหนุอาจจะยุ่งๆแล้วก็แบบว่ารุ่งไปช่วงนี้ไม่ค่อยจริงมันไ็่ค่อยนิ่งที่จริงพันว่าความเครียดคื<ะ>อค <ใน S 2> ่ะอืในระยะหลังเนี่ยมันมนี่ไม่ไว่าไม่ใช่เฉพาะเราพันว่าความเครียดจเอยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ลามมาแม้กระทั่งนักบว นักบวชที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่ยังวางค่าทีทางใจไม่ได้ซึ่งเคยผ่านงานทั้งโลกมาเยอะๆประมาณลุกสิบเยอะที่เป็นอาคารลักษณะมบางทีเป็นหมอเป็นธุรกิจเป็นเดบาวเนี่ก็จะมีภาวะความคืนก็รู้ตัวนะแล้วยิ่งเราไม่ได้มีเวลาปฏิบัติอย่างนี้มันก็เหมือนแบบจิตมัน มันไ ม, ม, ม่อนม่หยุดนะคะมันก็จะนั่ ง, งทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาชีวิตมันได้ออกโรงเป็นอยนี้แล้วลงลแล้วถือว่ามันจะต้องดําเนินไปในแนวทางนี้แล้วก็คือมันจะต้องแต่งงานกันทีนี้ไอ้ภาวะท้องการที่เราจะต้องแต่งงานกันเนี่ยสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเนี่ย สำคัญที new, ่สุดจุดมุ่งหมายของการแต่งงานเธอจุดหมายหลักและจุดหมายรองจุดหมายหลักของการแต่งงานเนี่ยรู้ไหมว่าจุดหมายหลักคืออะไรคือครอบครัวจุดหมายหลักคือลองลองลองลองคิดตามความเข้าใจของเราก่อนอยากจะรู้ว่า จุหมายหลักของการแต่งงานที่เราคิดว่าเอออันนี้เป็นจุหมายหลักก็เันการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้นั่จะเป็นเพราะคนเราการจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหัวมันก็ยากที่หมายถึงว่าจะอยู่ด้วยกันได้แบบนานๆอะไรเงี้ยก็เรู้สึกว่าพอเราไม่ได้กาดจะมีลูกอยู่แล้วไงคะการแต่งงานเราก็เลยเหมือนกับ โอเคคอมมิต okay, ว่าโอเคใช้ชีวิตด้วยกันอันนี้เดี๋ยวพูดตามหลักความเป็นจริงเลยอันนั้ น, นเป็นความเห็นที่คุณมันแยกมันแยกสองส่วนนั่นเป็นความเห็นของเราที่เราตั้งหลักกันไมันตั้งได้หมดเลยคแต่หลักของความเป็นจริงที่ในทางหลักการที่พระพุทธเจ้าน่ท่านมองด้วยยานกันยาวด้วยภาษาปัญญา ชีวิตของการแต่งงานมีจุดหมายหลักรือหนึ่งเพื่อสร้างทายาทที่ดีไว้สืบต่อวงตระกูลแล้วก็แทนตัวลัามีเป็นจุดหมายหละจุดหมายรองก็คือการที่จะได้มีการได้อยู่ร่วมกันได้เกี่ยวข้องกันได้มีความสุขร่วมกันได้ทำกิจการร่วมกันได้ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน ก็จะดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ทําไมจุดหมายหลักยิงต้องสร้างทายาทที่ดีรู้ไหมทีนี้การสร้างทายาทเนี่ยเพื่อเพราะว่าเราต้องมองว่าทายาทที่เราจะสร้างม า, างเนี่ยมันจะสามระดับหนึ่งทายาทที่สร้างมานั้นเนี่ยมีศักยภาพทุกด้านเนี่ยน้อยกว่าพ่อของมันเ้าเรียกอาวุชชาตบุตร สสร้างทายาทที่มีศักยภาพทุกด้านเนี่ยทุกด้านเลยนะีรายละเอยียดเยอะเสมอกับพ่อกับแม่นี่เขาเรียกสหาชาติกตะบุญสาสร้างทายาทที่จะให้มีศักยภาพนั้นน่ยดีกว่าพ่อกับแม่ทุกด้านนั่นก็เรียกอภิชาติกตะบุญหลักการในทางพุทธศาสนาที่เขาจะแต่งงานกันก็นกตามวางหลักว่าถ้าเราสร้าง ทายาทที่แยกกว่าเราลองคิดดูสถานการณ์ขนาดนี้ถ้าแย่กว่าเราจะขนาดไหนซึ่งเราเคยไปเกี่ยวข้องกับคนที่แย่ๆเยอะอย่างหมอเฟรดเนี่ย<ๆ>เคยไปเกี่ยวข้องกับคนที่ได้โอกาสมากมายที่จะเสียหายขนาดไห น, นซึ่งโรคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงขนาดไห น, นเอาแค่เท่าเราก็แย่แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนตัวพัฒนาการมันไปอีกมากมายเพิ่มขึ้นฉะนั้นเขาจึงต้องสร้างทายาทที่เป็นอภิชาตบุตรเพื่อจะได้มา ผลพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกและสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้มาเกื้อกูลมีบุบบคลากรที่ดีมีแบบอย่างที่ดีมีทรัพยากรที่ดีที่จะได้เป็นทายาทสืบต่อวงตระกูลเนี่ยเพื่อจะได้เป็นแบบแผนและเป็นตัวอย่างในการที่จะสร้างสังคมครอบครัวทั้งหลายตลอดถึงเป็นแบบอย่างให้กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมหรือประเทศชาติเลยก็ว่าได้ เห็นไม่ว่าหลักการมันไม่ใช่หลักเล็กมันเป็นหลักใหญ่ในการแต่งงานนี่ต <Jub ilee> ้องเข้าใจก่อนอันนี้ี่คือหลักความจริงที่ต้องเป็นอย่างนั้นการที่ถ้าไม่วางหลักแบบนี้ไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่เราเห็นนี่แหละบุคลากรของสังคมเนี่ยมันก็จะได้ทุกด้านซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นงั้นจริงจิงนี่คือปัญหาฉะนั้นชีวิตของการแต่งงานเป็นชีวิตยหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นั้นนี่นี่คือจุดหมายหลัก ส่วนจุดหมายลองก็อย่างที่บอกไว้ว่าชีวิตที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเราจะต้องขุดฝนพัฒนาอะไรก็ว่าไปทีนี้หลักของการคลองเรือนนะ ม, <c oughs> มันต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักแล้วเนี่ยชีวิตอยู่ด้วยกันมันสเปสสปะแน่นอนหลักที่ต้องวางไว้หลักธรรมตอนนี้เขาเรียกว่าคาราวาสธรรมใช่ไหมหลักของการคลองเรือนหรือหลักของความเป็นคารวาวา หลักการตอนนี้การที่จะให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยดําเนินไปด้วยดีและมีสุขแล้วก็สามารถป้องกันอันตรายทั้งภายในและภายนอกได้สามารถฟันฝ่ากระแสนำพากระแสชีวิตไปสู่จุ้หมายภายทางที่ดีได้นันมีอยู่สี่หลักในสี่หลักพี่นะหลักแรกจริงๆก็คือว่าสัจจะสัจจะศพเนี้ยก็แปลว่าความจริงสัจสัซื่อซื่อตรง มันจะมีความจริงสามด้านหนึ่งก็คือพูดจริงต่อกันสองทาจริงสามก็คือมีความจริงใจต่อกันสำคัญมากอันแรกเลยเนี่ยถ้าไม่มีตัวข้อควาว่าสัจจ์ซึ่งสัจจริงใจต่อกันแล้วเนี่ยมันหมดเลยเนะีถ้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยแค่ออกจากบ้านไปมันก็มั น, มนพุ่งสร้างแล้ว ฝ่ายหญิงไปทํางานฝ่ายชายไปทํางานหรือแม้จะไปหน้าที่ไหนนะ่ะมันรู้สึกทกไปหมดเลยเพราะมันขาดอะไรขาดข้อแร ก, อกก็คือสัจจะนั้นตัวสัจจะเนี่ยมันจริงสําคัญมากๆถ้าเป็นต้นไม้การครอบครัวเนะี่ยเหมือนกับนันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งสัจจะเป็นรากแก้วรากแก้วของต้นไม้สําคัญไหม ตัวสัจจอาจจึงเป็นรากแก้วของชีวิตครอบครัวนั้นถ้าหากไม่มีตัวรากแก้วหรือไม่มีรากแล้วเนี่ยต้นไม้นั้นไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีการไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วเนี่ยมันโยกเป็นคลอนเลยชีวิตของการแต่งงานชีวิตครอบครัวไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างสม่ริงหมายปลายทางได้อันนี้ข้อแรกท่านจะวางไว้ในซื่อสัจจะ สำคัญไหมถ้าขาดซึ่งการไว้เนื้อเชื่อใจเสรแ ล, แลร้วเรจบเลยมิชชนข้อที่สองก็อะไรรู้ั้ยถ้ามาทอทหารมอมาสระอาศัพท์เนี้ยแปลได้หลายอย่างศัพท์เนี้ยแปลว่าฝึกแปลว่าปรับปรับเข้าหากันชีวิตเนี่ยมันอยู่กันคนละที่อยู่คนละทางอยู่กับคนละสิ่งแวดล้อมอยู่กับว่าอยู่กับสภาพเขตปัจจัยที่มันโคจรมาเจอกันเนี้ย มันต้องปรับคันว่าปรับเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือปรับเข้าหากันฝึกนั่นเองฝึกในการที่จะปรับเขา ipple ipple ipple ipple darling, ้าหากันพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาแม้สภาพจิตใจที่จะปรับยังไงท่านยังบอกว่าไอ้ตัวใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันสังเกตมันรูด admitted, highs, ูร้อนมันปรับรดูหนาวรู้ดูฝนมันจะปรับไปตามสภาพมันไม่ใช่ปรับแค่ตามรู้ดูร้อดรูดูหนาวรู้ดูฝนมันปรับวันต่อวันเลยท่านค่ะ แล้วก็ตามสภาพว่าแดดเอยลมเอยฝนเอยนี่ก็เหมือนกันถ้าชีวิตครอบครัวนะถ้าไปล่องลึกและแข็งทื่อเคยเห็นคำว่าล่องลึกและแข็งทื่อก็คือฉันมีทัศนคติอย่างนี้มีบุคลิกภาพอย่างนี้มีทัศนะแบบนี้มีความเห็นอย่างนี้แล้วก็แข็งทื่อไม่ยอมปรับฉันเป็น้องฉันอย่างเนี้ถ้ารั์ฉันต้องรักหมายฉันด้วยเคยได้ยินคำนี้ไหม แล้ววีแล้ไม่ออกอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยมันเป็นร่องลึกและแข็งขึ้นมันเป็นทิศขีดมันเป็นทัศนคติมันเป็นความเห็นที่ฉันจะต้องอย่างนี้เท่านั้นและเมื่อฉันเห็นอย่างนี้คุณก็ต้องมาปรับตามฉันนี้จะปรับกันไม่ได้ตามป่ า, ปายต่างก็อยู่กันแบบประเภทที่มีโลกส่วนตัวของกันและกันถ้ากราณีอย่างเนี้ยไม่มีธรรมะ ก, ก็คือไม่ปรับต้นไม้ที่มีใบไม้ก็ต้องปรับตามไปดูการ ไม้เอามาจากป่าที่เอามาทําเป็นบ้านมันก็ต้องถากต้ตักที่มันเข้ากันได้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าฝึกได้ธรรมะปดดีิเวณฝึกได้จากคนไม่เชื่อมั่นฝึกให้เป็นคนเชื่อมั่นได้ เ, เป็นคนท้อถอยหดหู่ฝึกเป็นคนเกล้ากล้าอาถรรได้ ฟันเนเรืเอรหลงเลอะเรือนเนี่ยฝึกเป็นคนมีสติมีสติมีมความตํากับอยู่กับตัวได้ฟุ้งซ่านเนี่ยฝึกให้เป็นคนมีสมาธิได้ไม่รู้ไม่เข้าใจฝึกให้เป็นคนรู้และเข้าใจได้เครียดและโกรธเนี่ยฝึกให้เป็นคนมีเมตตาได้รักปรารถ น, นสภาพจิตที่เยือกเย็นได้หรือว่าเป็นคนที่ริสตยาฝึกให้เป็นคนมีมุทิตานย่เป็นต้นคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ พุทธิยาบอกว่าตามจากสัตว์ในราฉาที่ไปฝึกฝึกแล้วมีข้อจํากัดแต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่พิเศษพิเศษไม่ใช่ดีนะคือต้องมาฝึกก็คือต้องมาฝักฝึกได้มีเป็นกําลังใจส่วนคําว่าต้องฝึกนีเป็นหน้าที่ครับใช่ไหมแต่ก่อนที่จะฝึกมันต้องรู้ก่อนนาว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเนะมื่อการการที่เราจะฝึกเราต้องรับรู้ก่อนนะครับว่าเว่าเราอยากเราอยากเปลี่ยนอะไร แน่นอนแต่หลายคนผมคิดว่าเขาไม่ค่อยคือประเด็นมันอย่างนี้เว้ชีวิตการที่อยู่ด้วยกันไอค้คำว่าร่องลึกแข็งทืง่อไอ้ตรงเนี้ยถ้าชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างก็มีร่องลึกมีทัศนคติติดมีจิตที่ไม่เปิดมีการไม่พร้อมยิรับฟังซึ่งกันและกันไม่มีสภาพจิตที่อ่อนโยนต่อกันปัญหาตา่าง และอย่าไปคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมันไม่ใช่มันต้องมีกรณีอย่างการว่ามันเห็นใจกันแล้วมันเริ่มจะมองซึ่งกันและกันมันจากความรักความปรารถนาดีต่อการนี่แหละมันตึงฝึกมันต้องมีตัวนี้ไงที่ว่ารักปรารถนาดีรักมันมีสองรักใช่ไหมรักแบบปัญหา กับรักแบบฉันทะถ้ารักแบบตันหาเนี่ยก็คือรักใครสักคนก็ต้องการอยากจะเอาบุคคลสิ่งของที่เรารักนั้นมาตอบสนองอัตราตัวตนหรือมาปนเปื้อให้ตัวเองได้รับความสุดเช่นฉันรักคนนี้เพราะคนนี้ตอบสนองให้ความสุดกับฉันได้ฉันจึงรักเช่นเขาสามารถปฏิบัติฉันได้เขาสามารถเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันได้เขาสามารถเป็นอย่างที่ใจฉันต้องการได้ฉันจึงรักเขา ใช่อย่างนี้มันรักเพื่อต้องการจะเอาแล้วก็มาตอบสนองความรักลักษณะนี้มันจะมีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางใช่เอาตัวอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ต้องการเอาสิ่งที่ตนเองรักและชอบนั้นนะ่มาปนเปลอมาตอบสนองอัตราตัวตนเองถ้าไม่ได้อย่างที่ตนเองปรารถนาไว้ก็โกรธก็ไม่พอใจอันนี้ก็เรียกลักเพื่อจะเอาแต่รักอีกอย่างเนี่ รักรรักในกรณีที่ได้กระทาสิ่งที่เขาชอบแล้วเรามีความสุขเช่นเราได้เกื้อกูลเขาได้เผื่อแผ่ได้ดูแลเขารักถึงเขามีความสุขเขาไม่มีอาหารกินเราหาอาหารให้เขาเขากินอาหารแล้วก็เรามีความสุขเขาเขาไม่มีเสื้อผ้าเราได้ซักเสื้อผ้าได้หาเสื้อผ้าดีๆให้เขาแล้วก็ชอบและเรามีความสุข มันสุขตรงที่ว่าได้ทําให้เขาแล้วเห็นเขาสุขแล้วมกลับมาสุขติกไอ้ลักลกักษณะนี้มันรักแท้ใช่ไหม เ, อ, อ, เ อ, อต้องแยกกันอย่างนี้ฉะนั้นในคําว่าธรรมะอะไรเนี่ยมันคือปรับให้ดีปรักก็คือว่าแทนที่จะเอาความต้องการของตนเองเป็นตัวตั้งมันกลับวางความต้องการของแล้วก็ไปมองความต้องการของคนที่เราอยู่ด้วยเขปาปรารถนาอะไรเขาต้องการอะไรแล้วก็พร้อมเสมอที่จะ จะตอบจะนองความต้องกานขอ ง, อ, ข อ, งนะอีกฝั่งพ่อแม่ลูกในน้อยตื่นที่หนึ่งที่สองนั่นทั้ที่สิทธิที่พ่อแม่ควรจะได้รับได้น้อนแต่พ่อแม่ก็สลากความสุขที่ตนเองที่งไปลุกขึ้นมาดูเพื่อความปลอดภัยก็ความสุขของลูกน้อยพอเห็นลูกน้อยมีความสุขแล้วทันทีก็สุข <c oughs> อย่างเงี้ยมันลักษณะแบบนี้นะไอคำว่าปรับนี่คือมันปรับอยู่นี้ไอตรงนี้เขาเรียกทำเหมือนใบต้นไม้ ซึ่งต้องตามสถานการณ์ตามเหตุการณตามบุคคลข้อที่สามขันติขันติเนี่ยก็แปลว่าอดทนหรือทนทานอะไรก็ได้แต่ขันติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอดทนแบบเก็บกดนะมันคนละเรื่องกันเลยนะคำว่าอดทนมันมีอดทนอยู่สองกรณีทนแบบตั้งรับกต่ทนแบบบุกฝ่าถ้าตั้งรับเนี่ยมันเหมือนกับแผ่นดิน แผ่นดินเนี่ยเวลาเจอของสะอาดด้วยสะอาแผ่นดินก็ไม่สะทกสัท้านไม่หวันหว่นไหไม่มีอาการเครียดวิตกกังวลหรือไม่มีอาการหวันหวนนน่นไหวในชั้นใดบุคคลที่มีจิตใจเหมือนแผ่นดินในแต่ตั้งรับจะเจอปัญหาเจออุปสรรคโถมเข้ามายัางไงจิตก็รับได้เหตุผลที่รับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้และเข้าใจมันยอมรับได้ด้วยปัญญาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าทนแบบตั้งรับ อีกอย่างหนึ่งก็คือทนแบบบุกฝ่าเหมือนช้างศึกช้างศึกเนี่ยเพื่อชัยชนะเพื่อจุดหมายนำพาเหมกระแ ส, ะสชีวิตครอบครัวเนี่ยนำพากระแสชีวิตในการที่จะจับมือร่วมกันในการที่ฟันฝัาปัญหาเรืร่องภาษเพื่อชัยชนะเพื่อจุดหมายที่ตั้งหลักไว้ไม่หวั่นเกรงต่อลูกสอนที่ติวมาอยู่ที่ทั้งสีช้างศึกจะมีลักษณะแบบนี้เป็นช้างที่กุหมาดี นั้นขันตีจะมีรักหณะหนึ่งตั้งรักระบุกว่าทนลาบากต่างๆในการต่อสู้ไปต า, ามาใจไม่ทุกเนะื้อกลุ่มพวกนี้เพราะเห็นเห็นเป็นข้อฝึกแล้วก็ทนต่อทุกขเวทนาความทุกขเวทนาทั้งหลายที่มันเบียดเใส่ก็ เ, เจ็บป่วยทั้งหลายก็ยอมรับได้แล้วก็แก้ไขไปตามเด็กแล้วก็ทนต่อความเจ็บใจได้ื่อยๆ ความเจ็บใจทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นเจตกดคิดวิจารณาเหตุพิจารณาผลในสึกเปราะละเลยเอ๊ะคาว่าทนในที่เนี้ยมันเหมือนกับแก่นแก่นต้นไม้ต้นไม้ที่จะสามารถมีอายุยืนยาวทนต่อแรงลมทนต่อปัญหาทนต่อต่อพายุทนต่ออะไรก็ได้แตต้นไม้แก่นแข็งแรงครอบครัวต้องมีแก่แก่นของครอบครัวก็คือการยอมรับได้ด้วยปัญญาที่มีความบางครั้ง การไม่ได้ดั่งใจการไม่เป็นไปอย่างที่คิดก็ไม่เครียดไม่วิตกกังวลเพราะตั้งมั่นว่าเราจะล่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนี้นี่ เ, คเรวความทนทานใช่ไหมนี้ตัวโตตับคติข้อที่สความนี้สำคัญเพื่อจะจาขาดคำว่าจาคาดในที่นี้ถ้าพูดถึงการสละการให้ฟารเ่งนัน แต่จะแป่อย่างนี้แปลลักษณะเป็นเชิงลบนิดหนึน่งถ้าแบบเชิงบวกก็คือความเป็นผู้มีน้ำใจสำคัญมากคนนี้สำคัญกว่าทุกข้อการมีน้ำใจต่อการการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่การดูแลซึ่งกันและการมีน้ำใจคอยประคบประมไอ้ตัวจาคาบเหมือนอะไรเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยที่ลดปัญหาเหมือนการให้ปุ๋ยรดน้ำคนดิน ที่จะต้องให้ให้เป็นให้ให้ถูกเวลาเวลาฉลาดในการที่จะให้เพื่อจะทําให้ต้นไม้ต้นนี้เยเจริญเติบโตนั้นชีวิตเนี่ยสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไอตัวจา่าคะเนี่ยสําคัญถ้าเพราะเป็นตัวอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นหล่อเลี้ยงว่ายกตัวอย่างเช่นให้เป็นรูปธรรมในฐานะที่ เป็นผู้ชายก็ต้องรู้จักความทุกข์ของผู้หญิงเราจะได้มีน้ําใจต่อเขาถูกผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์กี่อย่างแม้ผู้หญิงเองก็ยังไม่รู้เลยตัวเองมีความทุกข์กี่อย่างผู้หญิงที่จะแต่งงานเนี่ ย, ยหรือจะมาอยู่กับผู้ชายเนี่ยหนึ่งทุกข้อแรกก็คือเขาต้องจาก ยากที่มาอยู่กับฝันชาจากพ่อแม่คือตายย่ายายจะไม่อยู่กับฝันช้าคื อ, อ, ต, อ, อต้องมาสร้างครอบครัวชีวิตก็ต้องห่างห่างจากพ่อแม่มว้าเวีนะมันจะมีความสึก ว, าว้าเวแต่รู้สึกว่าคนคนนี้หวังว่าคนคนนี้ยที่เราจะมาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นหลักชีวิตจะนําพาชีวิตของเราให้สู่จุดหมายปลายทางเราเลือกเลยครับคิดแล้วคิดอีกแล้ว เรมั่นใจท่านบนนี้ตรงเนี้ยฝ่ายใช้ต้องมีใจคัต้องมีน้ําใจต้องคอยปลอบประโลมเขาให้เป็นนะว่าคือสร้างศรัทธาเขาพี่นอย่าให้เขาเสียศรัทธาในตัวเราบางครั้งอยู่ห่างๆเนี่ยเหมือนก็จะมีศรัทธานะพอมาอยู่ใกล้กันขึ้นเนี่ยนางเข้านาเข้าเนี่ยเดี๋ยวศรัทธาก็จะค่อยหมด มันเกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะไม่พูดบ้างหรืออาจจะไม่บอกทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่อาจจะไม่พยายามเข้าใจเขาดูแลเทคแคร์เขาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นไหมต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องให้เขาบอกว่าบอกกปลมเขาว่าคุณมั่นใจฉันได้ฉันยังมีความมุ่งมั่นฉันยังมีพลังฉันต้องการฝ่าฟันนําพาชีวิตครอบครัวให้ไปถึงให้ประสบความสำเร็จ ไปสู่จุดหมายไปทางที่ดีนะเอออย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเออฟังเขาให้เกียรติเ้าเห็นมว่าเนี่ยสองความทุกของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเป็นหมอก็หนึ่งจะมีการเเกียดแปง่งภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนล้ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเหตุปัจจัยที่เขาสร้างมาก็าจึงได้ได้ไ ด, ได้ได้เพศภาวะความเปหญิง การได้เพศภาวะของปลาเป็นหญิงเนี่ยจะเป็นจะมีภาวะที่หงุดหงิดมากกว่าฝ่ายชายเป็นธรรมชาติทุกคนคิดมากหงุดหงิดมากเพราะอะไรเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่จะต้องมีภาวะเลือดที่มันจะถูกขับออกมันจะทําให้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมในร่างกายของหญิงแปรปลวัวเป็นระยะระยะเขาเคยอยู่ในสภาพดินน้ําไฟลมอย่างนี้ อุตุกแบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกันดีตอนนั้นนะเมื่อร่างกายของเขาเกิดภาวะความที่ไม่ได้ดุลยภาพมันส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็จะเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายผู้ชายต้องมีใจคาะาต้องมีน้ําใจกับเขาจะให้กําลังใจเขามีวิธีปลอบโยนยังไงมีวิธีบอกปลอบโยนพาให้เขาได้เกิดความรู้สึกมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงมั่นคงยังไง ไม่ให้เกิดความเพียดไม่ให้เกิดความทุกข์ยังไงมีการชี้แจง ม, มีการบอกมีการพาไปทํากิจกรรมอันนั้นเป็นความสามารถที่จะต้องจะต้องปิดให้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีเข้าใจจะไม่ได้นี <c oughs> เนี่ยไอตรงนี้เป็นความสามารถจะต้องดูหน้างานเพราะมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นนะประาการที่สามก็คือแต่งงานแล้วเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกถ้าเขาต้องการสร้างครอบครัวที่ดีก็คือการมีบุกรมีลูก อตั้งครรภ์พอมีภาวะที่มีเด็กมาเกิดในครรภ์มันจะมีภาวะความกังวลอะไรเยอะทีนี้เอาละสิทีนี้ฝ่ายชายต้องกินก็ตรงที่ว่าถ้าแม่เครียดกระทบต่อเด็กแม่ล่าเรื้มก็กระทบกับเด็กทั้งดีและบินจะให้เขาได้เกิดความล่าเรื้มยังไงสภาพจิตใจสุขยังไงเนี่ยมีการปลอบประโลมมีการ แนะนำมีเรื่องราวต่างๆเล่าขานบอกให้เขามีความสุขพาเขาไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้เพื่อให้มีผลเพื่อกูนต่อทางระวังระว่ังแม่กันเนี่ยต้องใช่ไหมทุกชะตาที่จะต้องดูดูเลยแล้วก็เวลาข้อเวลาเดือนนี่นเป็นความทุกข์ของผู้หญิงแล้วความทุกข์อีกประการสุดท้ายก็คือว่าผู้หญิงจะต้องกลืนเพลิงไฟช นี่เป็นตัวให้ความสุขนะอาหารทาอะไรก็แล้วแต่ดูแลในการที่ยามสงามีอยู่ในบ้านจะดูแลดูเลฝ่ายชายก็อยากเอาใจใจขึ้นเลยต้องดูว่าเขาพร้อมไม่พร้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยความทุกข์ของผู้หญิงห้าประการนั่นที่ได้กล่าวมาเนี่ยผู้ชายที่ฉลาดจะแต่งงานต้องเรียนรู้ ถ้าไม่รู้ตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าอีกเกิดอะไรขึ้นภาะเธอเกิดอะไรขึ้นมันก็จะถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทีนี้มันจะไม่ถามเราจะเริ่มรู้เหตุปัจจัยว่าที่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของหญิงที่จะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ความเป็นผู้มีใจข้ามีน้ำใจแล้วก็จะต้องเป็นทีนี้อีกประการต่อม า, าก็คือว่าผู้หญิงเนีร้อยทั้งร้อยก็คือว่า ถ้าผู้ชายมีน้าใจก็คือยกย่องนับถือว่าเป็นคยกย่องนับถือสำคัญมากประกาศบอกยกย่องให้เกียรติว่านี่คือภรรยาแล้วก็นำานประการที่สองกคือไม่ดูหมิน่นสำคัญมากนะสองข้อนะผอมข้อเชื่อมโยงกันเนี่ยยกย่องแล้วไม่ดูหมิน่นสิ่งไหนที่เป็นความสามารถความดีของเธอ บอกกับเธอก็ได้บอกกับเพื่อนก็ได้บอกกับพ่อแม่ใครประกาศความดีให้เธอได้รู้สึกภูมิใจว่าเอาสิ่งที่มีจริงนะความดีของเธอเรารี่ดออกมาแล้วเมื่อเธอได้เห็นตรงนั้นเธอจะมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งยกย่อ ง, องสองไม่ดูหมิ่นถ้าทําตรงนี้ได้เ น, นี่ยนิสัยที่เขาอาจจะมีจุดเสียนะจุดโวนะ มันจะปรับมันจะปรับเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเนี่ยภรรยาผมก็เป็นคนขยันยภรรยาผมก็เป็นคนมีจิตใจงดงานภรรยาผมก็เป็นคนรับผิดชอบภรรยาผมเป็นคนที่ดูแลผมได้ดีมากผมมีวันนี้ได้เพราะเพราะเธออยู่เบื้องหลังคออี ก, กำกับค อ, อยเนี่ยกรณี้เธอจะภูมหญ่มากเขาจะไอเซียนส่วนไม่ดีทั้งหลายแล้วเธอจะไปเลือกเปรีดดูตัวเองเขาจะแก้จะแก้เพราะอะไร สามีฉลาดในการที่ที่บอกกล่าวบอกจุดดีๆไม่ใช่บอกแค่แค่กับเธอบอกกับคนอื่นคนอื่นก็รูจริงเนี่ยเธอจะมีกําลังใจเหมือนเหมือนสามีประกาศความดีประกาศความดีแล้วก็ประกาศศักยภาพของภลรยาที่จุดเด่นยังไงพี่ต้นน่ะนี่อันนี้เขาจะฉลาดหนึ่งหนึ่งก็คือยกย่องสองไม่ดูหมิ่นสามไม่นอกใจไม่นอกใจ ไม่ว่ากรณีใดๆแล้วคือก่อนหน้านั้นที่ไม่มีพก็ไม่ได้แต่งงานก็อีกอย่างแต่พอมีแต่างงานไปเสร็จปุ๊บก็บถือว่าชัดเจนในชีวิตเลยเพราะว่าชีวิตเมื่อจะเดินยังไงแล้วก็ไม่สับสนก็ดําเดินชีวิตจริงๆเลย น, กกนี่กแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในบ้านในบ้านนั้นเธอจะจัดแจงอะไรจะทําอะไรต่างๆให้เธอได้ ได้กำกับได้ดูแลได้ได้เปอย่างถ้ามีลูกมีปริวารยากมิตทั้งหลายในบ้านก็ให้เธอได้ได้ไดมีได้ฝึกศักยภาพตนเองกเธอ ด, ดูแลกันงั้ น, นเธอจะภูมิใจมั้งมอบความเป็นอย่างสุดท้ายอะไรทุ่หาเครื่องประดับให้ในการงานคนรไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะฝ่ายชายก็มูรู้จักว่า เธอเป็นคนชอบเครื่องประดับกลุ่มถึงวาระอะไรก็มีมีมีทักษะในการที่จะหาสิ่งที่เป็นเครื่องประดับเลยเป็นเครื่องตกแต่งถึงเธอชอบให้ในการอันควรต่งางๆแต่งงานโดยมันเกิดวันอะไรสำคัญผู้ชายมักจะอือเรื่องนี้มักจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่ในเรื่องนน เ, นเนี้มันเป็นเสน่ห์มันเป็น มันเป็นความสุขใจของผู้หญิงทุกคนเป็นแบบนี้หมดในโลกใ บ, บนี้เป็นแบบนี้หมดนี่ก็เรียกว่าอ่าอันนี้นี่คือฝ่ายฝ่ายที่ชายที่เป็นปฏิบัติแล้วผู้หญิงอ่งพึ่งปฏิบัติต่อผู้ชายผู้หญิงเนี่ ย, ต, ย, ยต้องเป็นคนที่ชรต้องชรต้องเป็นคนที่ขจัดความวิตกกังวลออก ลําเอียงเพราะรักต้องกระจัดออกถ้าลําเอียงเพราะรักเนี่ยมันช่มองแต่จุดดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆ็ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ็ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมุมๆๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆๆๆๆๆลําเอียงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จากความกลัวนะเข้านาเข้าก็เลยไม่แก้ไขสถานการณ์ใดๆนี่เสียหายไปหมดหนึ่งไม่มีอคติแล้วไม่พอนะียประเด็นก็คือว่าจัดการงานดีเป็นคนที่ขยันในการงานในกิจการมักหลา ย, ยในขณะที่ทำงานถามว่าที่เราจัดการงานดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำหน้าที่ในขณะที่ทำก็มีความสุข้วยเนะี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับการดำเนินกิจกรกรมชีวิต ส่งเคาะคนที่เกี่ยวข้องของสามีได้ดีเป็นเพื่อนของสามีเป็นญาติเป็นพ่อแม่ปู่ตายาหรือคนที่สามีเ้าเป็นคนที่ส่งเคาะจร่งฉลาดในการส่งเคาะเขาเรียกว่าสื่อสารเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าแค่พูดได้สื่อสารได้นะนะหรือทําได้ไม่ใช่พูดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นก็คือเป็นการส่งเคาะด้วยคําพูดด้วยการกระทํา และก็ได้วิธีคิดทั้งหลายส่งเข้อคนที่เกี่ยวข้องทัไม่นอกใจแล้วก็ฉลาดในเรื่องการบัญชีมากรายรับรายจ่ายาเป็นคนที่ฉลาดในการที่จะดูแลระบบรับจกจ่ายในครอบครัวธุรกิจนะซักหามาได้ยังไรฉลาดเป็นเหมือนตัวบัญชีเป็นคลังเลยภรรยาเป็นเหมือนคนดูดูดู ด, ดูดูระบบระบบน้ําเข้าน้ําออกมันเหมือนสระน้ําใหญ่ มีทางไหลออกสี่ทางไหลเข้าสี่ทางถ้าเปิดทางไหลออกอย่างเดียวไปปิดทางไหลเข้าแย่ปิดทางไห ล, หลออกถ้าเปิดทางไหลเข้าฝน ต, ตกต้องตามฤดูดดกาลโอ้โหน้ำมันพอกินพอใช้พอที่แจกจ่ายอะไรทั้งหลายเหล่านี้ฉลาดเปเนยังไงเนี่รายละเอียดเพราะว่าแล้วก็ขยันไม่กิจไม่เกียรติค้ า, ค า, คานิยมกิจการเห็นไหมว่าถ้าหลักในการดําเนินชีวิต อันนี้เป็นหลักของค้าปรารถนาอยากจะให้ชีวิตสองรสนี้ชีวิตครอบครัวดำเนินไปได้ดีและมีสุขหนึ่งต้องเรียนรู้กันและกันแบบนี้และสองต้องปฏิบัติต่อกันความเป็นผู้ที่จา่าทั้งหมดที่คุณเรื่องจาข่าเรื่องข้อสุดท้ายมันสำคัญที่สุดมันเหมือนเราลดนะควรดินให้ปุ๋ต้นไม้ก็คือว่า ต้นของครอบครัวหรือของความรักมันจะเจริญเติบโตรากมีอาหารไป ห, หล่อเลี้ยงกินใบและหล่อเลี้ยงหนังต้นให้เข็งเลยอันแรกที่บอกว่าสัจจะซือสั์จริยธรรมอันสองก็คือธรรมะฝึก ป, ปรับปรับตัวเองต้องปรับตลอดไม่ใช่ว่าฉันปรับแค่นี้แล้วไม่ใช่การปรับนั้นคือเป็นการฝึก ฝนพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้ศักยาภาพในการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีพัฒนาการดีขึ้นไม่ใช่ว่าก่อนหน้านั้นรักกันดีต่อกันพอมาอยู่ด้วยกันก็เลยไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็แข็งื่อกันอยู่นะแล้วก็ปล่อยเซ็งเบื่อกันไปไม่ใช่เลยมันปรับถึงแม้กระแสชีวิตจะแก่หรือจะมากเท่าไหร่แต่การปรับปรับต่อกันและการตลอดเวลาเนี่ยมันมี มันทําให้มันชีวิตเนี่ยมันมีรสชาตินะที่ปรับกันอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงกันตลอดเปลี่ยนเข้าหากันปรับเข้าหากันตลอดมันทําให้ชีวิตน่ยมันรู้สึกไม่สั่นไม่เซ็งนะมันรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันต้องเรียนรู้มันต้องฝึกฝนมันต้องพัฒนามันจะต้องมีการดูแลที่แคร์กันมากขึ้นยังไงกลับมีความสุขกับการที่จะปรับยิ่งมีลูกมีอะไรต่างๆตามมาอีก หรคร อ, อบครัวขยายเกิดขึ้นในกิจการทั้งหลายมันจะต้องมีการ ป, ปรับกันอยู่ตลอดเวลาการปรับแบบมีความสุขแล้วก็มีความอดทนเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคยิ่งมากกลับกลายว่าเป็นข้อฝึกเราจะได้ฝึกตนเองให้มีความกล้าๆมากขึ้นเราจะต่างฝ่ายจานทร์จะได้มีศักยภาพทั้งภรรยาทั้งสามีก็ได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้นโอ้กับยิ่งดีเลยยิ่งแข็งแกร่งทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค ปัญหาที่ทั้งหลายที่เข้ามาทั้งปัญหาภายในภายนอกก็ทนทานไม่เอะอะโวยวายร่วมแบ่งร่วมใจกันในการที่จะผ่าปัญในการที่แก้ปัญหาและในขณะเดียวกันในข้อสุดท้ายที่ดีสําคัญที่สุดคือว่าภาวะที่ความมีน้ําใจต่อกันที่เราปฏิบัติปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยนะรู้เขามีความทุกข์ยังไงปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เพื่อและปฏิบัติต่อกันด้วยกัน ถ้าทําได้อย่างเนี้ยชีวิตโอเคเทันทีแต่ถ้าไม่ไม่ปรับเนะี่ยหรือไม่ไม่เข้าใจบริบทของชีวิตเนะนี่ยหน้าปันณปันชีวิตเนะี่ยมันจะเริ่มเบื่อและสิ้นและเบื่อหน่ายมากมันจะเบื่อห่ายมากกอนหน้านั้นมันยังอยู่คนละภาคนละที่ไปไหนมาไหนมันยังแต่ที่มันจะต้องมาอยู่เนี้ย นั้นถ้าไม่ถ้าไม่ปรับหรือถ้าไม่ไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนไม่เกื้อกูลอันอย่างอันแรกที่บอกว่าข้อแรกที่บอกว่าซื่อสัต์สัตย์ซื่อต่อการจริงใจพูดจริงทางจริงไมจริงใจถ้าขาดตรงนี้ก็เริ่มบอดตัวเห็นไหมทุกข้อขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่เป็นเรื่องความมีน้ำใจบางครั้งเนี่ย เราไปแสดงความมีน้ำใจข้างนอกเยอะแต่ฝ่ายภรรยาก็น้อยใจว่าเยอะกับเราทำไมไม่ค่อยมีน้ำใจหรือมีน้ำใจกับคนอื่นมากหรือแบบนี้เห็นไหมไอ้กรณีอย่างนี้เราก็ต้องปรับให้ได้บาลานซ์บางทีฝ่ายสามีอาจจะคิดว่านี่ไงเราก็ทำดีแล้วเราก็เป็นคนเตื้อคูณช่วยเหลือคนอื่นเธอต้องเหนดีตามชั้นที่อะไรก็แล้วแต่ต้องปรับ แล้วก็บอกกันบอกการคุยกันที่ต้องทำอย่างนี้คืออย่างไรหลวใจต้องการเพื่อกูนพื่อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยสุดก็คือว่าให้มีน้ำใจกับคนในบ้านให้มากขึ้นต่อกันนะคือว่ามีน้ำใจต่อกันคาว่าน้ำใจเนี่ยก็คือจาคะจาคะให้ให้จากในบ้านแล้วให้ล้นออกไปคือ ทฤษฎีป่าล้อมเมืองบางทีมันไม่ทําได้ผมต้องทําจากในบ้านทําจากในบ้านทําจากตนเองเมื่อจากในบ้านเนี่ยมันเหมืเมตตาพอเราจับเรื่องเมตตาสิ้นกันลกันรลกสิ้นกันกันแ ล, ล้วต่อไปก็ขยายความรักออกไปเป็นหนึ่งเป็นสองปเป็นสาเป็นสถ้าขยายจากข้างในออกข้างนอกพออย่างนี้เบียเสร็จทั้งข้างนอกข้างในมันเริ่มเข้ากันได้หมดเนนแต่ให้ออกจากข้างในงให้มีน้ําใจจากข้างใน แล้วก็ขยายทั้งใจออกไปด้วยท่านในลักษณะนี้ยมันจะกลายเป็นว่าข้างในมันมั่นคงแล้วข้างนอกมันก็จะเป็นผลจากการที่มีจาระห์จะทำงานเปนครอบครัวมัจะขยายออกไปจะมีมนุษย์มีศักยภาพอยู่เมื่อข้างในเป็นปึกแผ่นและมั่นคงทั้งสองคนก็จะมีศักยภาพเต็มที่ก็ร่วมแรงร่วมแรงก็ขยายศักยภาพของจาระห์ มันไม่ใช่ซึ่งกันละไรแล้วพ่อแม่ปู่ตายย่ายายย่ายิบบอลบอมันร่วมขยายความดีน้ำใจมันก็เลยสร้างสังคมครอบครัวที่มีจใจมีภาวะที่มีน้ำใจมีการปฏิบั ต, ติต่อกคนที่ชานฉลาดรู้และเข้าใจแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าใจป้องกันจุดเสื่มจุดเสีย อ, อันตรายทั้งหลายใดๆที่มันจะเข้ามาก็ ร่วมกันแก้ไขจัดการมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่คิดคมันร่วมกันถึงแม้เวลาความคิดมันอาจจะไม่ไม่นา่าไม่เราอาจจะไม่ชอบใจเช่นเราต้องการอย่างนี้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็รู้จักที่จะยับยัง้งก่อนโดยไม่ทุกข์ แต่ใช้ศักยภาพมันเหมือนยังไงเหมือนกรณีว่าห้องข้างนอกมันร้อนแต่เรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะไปปรับความเย็นเราก็มาอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งที่มันความความเย็ น, นพอแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคิดออกหรือศักยภาพเพียงพอเนี่ย ถ้าศักยภาพเพียงพอเนี่ยเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะไปแก้ไขจัดการได้ไหนหุ่ยตามฝ่าย ต, ต, ต่างก็มาฝึกฉะนั้นของอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคิดว่าเราอยากจะทำสิ่งนึงแต่อีกฝ่ายยค้านยังคิดไม่เห็นด้วยให้เอาครอบครวไปก่ ให้ครอบครัวเพาครอบครัวสำคัญที่สเมื่อมีครอบครัวให้เอาครอบครัวเป็นศูนย์กลางในรักษาตรงนี้เพราะว่ากันเป็นต้นไม้ต้นเพราะถ้าทําต้นไม้ต้นนี้แข็งแกร่งแข็งแรงปุ๊บต้นไม้นี้จะออกดอกออกใบออกผลผลิตแล้วจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้จงสร้างฐานครอบครัวนี้แล้วก็พยายามพยุมหล่อเลี้ยงตรงนี้เพราะ ดอกผลใบทั้งหลายและตลอดถึงผลทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนมันไปจากใตัวครอบครัวตัวนี้ฉะนั้นตัวครอบครัวตัวนี้มันจึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราได้สร้างฐานของขอครอบครัวนี้แข็งแรงแเข้มแข็งมองออกไหถึงแม้ว่าเราอาจจะดี ฮัลโหลอ๋อสองห้าูนสี่หนึ่สองโอเคนี่พอ พอมองออกไปว่าครอบครัวสันติที่สุดเพราะถ้าหากว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีครอบครัวแล้วประสบความสําเร็จสามารถไปทํากิจการอื่นโดยประสบความสําเร็จเตยมากคือความเข้มแข็งในครอบครัวเมื่อครอบครัวเข้มแขม็งมันมีค เหมือนช้างมันช้างตัวหนึ่งมันมีขาหน้าขาหลังถ้าจะอุปมาว่าสามีเป็นช้างภรรยาเป็นช้างถามว่าเท้าไหนสําคัญสําคัญมากทั้งสองขา ท, ง ท, งทั้งหลายลวเวลาเวลาเวล า, เวลาจะเดินเวลาอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันต้องช่วย ถึงจะสามารถนำองค์าไปยกคือชา้างนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ที่เป็ประสงคได้อย่าไปบอกว่าคนนั้นสําคัญมากครับเพราะมันขาดกันไม่ได้มันขาดไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเรารักษาขาทั้งสี่ขาให้มีความแข็งแรงถึงแก่เนื้อมันสามารถนําพาองคาไปย ก, กคือสิริลักษณของชา้างนั้นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางและสระสงค์การทั้งเดินได้ชีวิตครอบครัวนั้นจงรักษา ซึ่งกันและกันให้หยุดอย่าไปทำลายกันและกันไปทำลายกันและกันปุ๊เนี่ยมันจะกลายเป็นไปไม่ได้เลยขาหน้าเสียก็ไปไม่ได้ขาหลังเสียก็ไปลำบากนี่ไปไม่ได้หมะ้จึงต้องดูแลแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหลายคือ หลับเข้าหากันโอนอ่อนเข้าหากันวันนี้ยังคุยไม่ได้หาจังหวัดแล้วก็พยายามคุยถึงไม่เอาไม่เอาความอยากความต้องการเป็นตัวต้านอย่างเอาเหตุและผลแม้เหตุผลเนี่ยอาจจะมันถูกต้องดีงามก็จริงแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังยอมรับไม่ได้เข้าใจไหมบางครั้งก็ยังรักไม่ได้ก็ไม่เป็น เพราะว่าเขาอาจจะยังติดทิฐิบ้างติดที่ความเห็นอะไบ้างก็พยายามให้ข้อมูลด้วยความเข้าใจด้วยความรู้และด้วยความอ่อนโยนต่อกันและกันในที่จริงจริงดในความรักความเห็นใจกันความปรารถนาดีต่อกันความจะให้อีกฝ่ายมีความสุขและจงอย่ารักแบบประเภทที่แบบอันตราย จะเป็นปัญห า, ารักแบบตันหาก็คือต้องการรักแบบประเภทที่ไม่วางความต้องการเพื่อตัวเองคำว่าไม่วางความต้องการก็คือว่าเวลาเราปรารถนาดีกับเขาเราเช่ น, เ, นเขาควรทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้วในความเข้าใจของเราแต่บางทีเราต้อง วางความต้องการของเราไว้แล้วก็มองความจริงที่เกิดขึ้นเช่นว่าฝ่ายหญิงเขามีทัศนคติอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีบุคลิกภาพอย่างนี้มีสภาพจิตใจแบบนี้เขาเป็นมาตั้งนานแล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนเนานย้าท่านใดท่านใดเหมือนกัน ฝ่ายใช้ที่มีทัศนคติมีความเชื่ออย่างนี้มีความชอบอย่างนี้มีบุคลิกภาพอย่างนี้มีสภาพจิตใจแบบเนี้ยจะเปลี่ยนทันทีทันใดให้วางความต้องการลงแล้วก็มองความเป็นจริงมองมองตามที่มันเป็นกบอนอายุตัวอย่างเลยสมมุติฝ่ายหญิงป่วยไปหาหมอหมอบอกว่าต้องกินยา ต้องกินอาหารแบบนี้กินยาแบต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบหมอบอกให้กินยาแปดมงเขาไม่อยากกินอยากให้กินอาหารแบบนี้เขาไม่ชอบก็อยากกินอาหารอย่างก็อยากเครียดยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก่อนต้องบอกเขาว่านี่นะหนูนะหรือบอกว่าเธออนะไรก็ไม่เป็นไร ก็คือยอมรับในการตัดสินใจแต่ใจรักไหมยอยากให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้อยู่ด้วยกันนานแต่มันก็เข้าใจได้ว่ามันไม่อยากกินยามันอยากจะกินของที่ชอบชอบแต่ไม่เป็นไรหรอกอางมีของที่ชอบมียาที่หมอบอกถ้าปรารถนาอยากเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นอยาน่างนี้อ้างมีของที่ชอบแต่ไม่ถูกกับโลก ที่ยอมรับในสิ่งที่เธอตัดสินใจสองด้วยเพราะฉันรเธอแต่ใจจริงๆอยากไม่เธออยู่ไปนั้นๆอยากให้เธอมีความสุขที่ดีแต่รู้ว่าเธอชอบแบบฉันไม่ทุกข์ใจเพราะยอมรับในสิ่งที่เธอตัดสินใจเห็นไหมความดีที่เรากล้าที่จะทําด้วยความไม่ได้ประชดประชันไม่ใช่ประชดประชันนะทําแบบ เข้าใจทำแบบเห็นใจแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารักนะราปราถนาดีเราอยากจะให้เธอเนคุณภาพแต่เธอยังทำไม่ได้ก็ยังยอมรับการตัดสินใจอย่างนั้นมาออกใช่ไหมเนี่ยไอ้กรณีแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยในที่สุดมันจะไปอยู่ในหัวใจเป็นนั่งในใจของฝ่ายหญิงก็จะมานั่งในใจฝ่ายชายฝ่ายชายก็นั่งในใจเขา แล้วต่างฝ่ายต่างก็จะทําให้เสร็จสิ้นที่ดีแล้วก็จะอยากจะปรับเปลี่ยนเ่อให้อีกฝ่ายมีความสุขนั้นความรักมันต้องเกิดจากความที่ให้มันลงล็อกและเข้าใจกันได้จริงๆอนี้ไม่ใช่รักแบบน้ํากับน้ํามันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เข้ากันสักทีมันเป็นเหมือนว่ามันไม่ฮาร์มันนี่มันะคอมปรอไร มันไม่เชื่อมประสานกลมตรืงเป็นนั่ำหนึ่งใจเดียวกันมันไม่เหมือนน้ํากับน้ํานมไอ้น้ํากับน้ํานมพอไปเข้ากันพบอย่งมันจะเข้ากันได้แต่ถ้าน้ํากับน้ํามันยังไงคนยังไงก็ไม่เข้าคนยังไงก็ไม่เข้ า, เ, าเครื่องยนต์ตัวจักรทุกตัวถ้ามันเป็นความโบลไไม้ผ่านเลยรนถะไปไม่ได้เลยจนะเพรามันเป็นฮาร์ดนี่ทุกตัวมันอยู่ในจุดอยู่ในตําแหน่งของเขา แต่เวลามันทํางานมันเชื่อมประสาเราก็เป็นเป็นสามีเป็นภรรยามันไม่ใช่ว่าเราไปทําหน้าที่ภรรยาภรรยาไปทําหน้าที่เราแต่มันทําแล้วมันเชื่อมประสานกันแล้วมันกลมกลืนกันมันส่งต่อกันมันเข้ากันได้มันเข้าใจกันเห็นไหมพอมันเข้าใจกันแล้วมันมองมันพยายามปรับพยายามเรียนรู้ไม่รู้ศึกษาถามท่านผู้รู้วางท่าทีตามใจ ตั้งเจตนาดีต่อกันแล้วก็มีปัญญาพอต่อการที่จะปรับปรุงพัฒนาไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ฉันทําได้แค่นี้ฉันทาได้แค่นี้อย่าไปทอ่องเป็นคาถาประจําใจนะฉันทําได้มากทําได้ทุกอย่างสามารถที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยกลมกลืนก็ได้แตกแยกก็ได้มันอยู่ที่มนุษย์เราเนี่ยมีศัก ย, ยภาพหมดจะสามารถจะทําทให้แต่งกันแล้วใ ห, ให้ให้ขาดกันในวันนั้นยังได้เลย แล้วจะให้มันกลมคืนไปดีก็ได้เพียงแต่ว่าทั้งหมดก็คือมีวิธีการมีวิธีการจัดการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองจัดอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าออบางครั้งสมมติว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคลำดับหนึ่งก็คือต้องจับมือกันว่าต้องไม่คืน อุปสรรคทุกอย่างปัญหาทุกอย่างเนี่ยต้องมองว่าเออตอนนี้เราได้เวทีเวทีทดสอบความสามารถของเราแล้ยเห็นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเป็นแบบสอบถามเป็นแบบทดสอบเป็นบทฝึกเป็นข้อฝึกถ้ามันอย่างนี้ขึ้นมาพบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออการเจอปัญหามันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะเราได้ได้ทดสอบศักยภาพของเราเราจะได้เรียนรู้จะได้แก้ไขปัญหา จะได้หาวิธีการว่าเออจะทำยังไงตรงนี้ไม่ได้จะปรับปรุงแก้ตรงนั้นตรงนี้ยังไงคือพยายามแต่ไม่ใช่ทำด้วยความเครียดความกู้ถ้าทำอย่างนั้นแปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพราะจริงๆแลงนะชีวิตมันมีปัญหาทุกวันอยู่แล้วในตัวมันเองแต่ว่าเราจะมองปัญหาแบบไห น, นถ้าในทางศ า, าสนาท่านกลับบอกว่า ปัญหาเล็กปัญหากลางปัญหาใหญ่คนที่จะประสบความสําเร็จต้องเผชิญปัญหาที่ใหญ่เมื่ ป, ปัญหาใหญ่ต่อกาเป็นเรื่องที่ว่ามันได้ได้บทฝึกมันจะต้องให้ความเชื่อมั่นสูงมันจะต้องใช้ความแคล้วกลาดมากมันจะต้องมีสติตกํากับอยู่กับตัวมากๆแล้วจะต้องมีความมั่นคงทางด้านจิตใจสูงด้วยถึงจ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่า น, นั้นได้และต้องมีปัญญาในการวิจัยแยก มันกลับมีพลังขึ้นมาเลยมองเห็นไหมไม่ใช่พาเห็นปัญหาขึ้นมาก็ตีโพยตีพายเครียบวิตกกตัวงกวลไม่ใช่เลยมันมีวิธีแก้หมดเลยในโลกแบบนี้เพียงแต่ว่าเราจะแก้อย่างไงเราจะหาเหตุเขามาเจอมากทุกอย่างมันมีช่องมันเพียงว่าเจอประชิญปัญหาแล้วเราจะสงบสติสัมปชัญญะของเราสงบใจของเรามันสงบนิ่งนิ่งพอไหม อ่ะย่างยกตัวอย่างนะหน้าโป ร, รีย น, นอยู่ในสนามรบปัญหาเต็ไมไปหมดเลยลูกน้องเจ็บป่วยร้องกันคนอยู่ในสนามรบเครียดไหมไม่เลยจิตกลับสงบนิ่งในเจ้าหมอเนี้ยสงบนิ่งเวลาจะทําอะไรทําจต่ทีละอย่างเหมือนกับลิ้นชักเหมือนมีลิ้นชักหลายๆอั น, นปิดลิ้นชักแล้วเปิดออมาทําทีละอย่าง อันได้แค่ไหนก็มาร์กไว้ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรปิดก็ปิดปิดไปเลยแล้วก็ดูดิชทําอะไรทีละอยา่ยางละอยา่ยางละอยา่างละอย่างโดยไม่สับสนนี่เห็นไ่ยคนที่คนที่ทํางานระดับอย่างนั้นนะถึงยามที่จะพักทั้งทั้งที่ทหารร้องกันคนทางก็นั่งแล้วก็นอนก็หลับทันทีได้ตามกําหนดเวลาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พอพ อ, พ อ, พ, อพอร่างกายดีสติปัญญาดีแค่ไหน เห็นไหมเนี่ยมนุษย์ทั้งๆ ท, งที่เขาไม่รู้หลักทำในศาสนาเนี่ยแต่ว่าประ awesome. สบการณ์ที่เขาเขียนเขาเรียนรู้เขาสังเกตการมันปึกผลพัฒนานั่งน <S <s ั่งสมาธิเขามองออกว่าไงมีอะไรจะทำารือไม่ทำไไม่มี่ คำถามไม่ได้เกี่ยวกับการ์ดช่วงนี้ผมค่อนข้างเช่อแบบไม่ค่อยเชื่อแบบบุญกับกรรมคืออาจจะเป็นความเข้าใจมากกว่าครับ <Okay. S 2> ผความเข้าใจผมเชื่อในเหตุของคนเดี๋ยว mm hmm. ผมไม่ได้ไเชื่อใ น, ในอาจจะเป็นอาจจะเป็นความเชื่อคนไทยก็ได้อาจจะเป็นความเชื่อสังคม มาบุญเกา่าบุญคนนี้มีบุญคนนี้คือพวกผมอยู่กับสิ่งที่มันแย่ตลอดคือคนนี้ไม่ได้ผลนตัวเนี่ยเราเห็นแผมคิดว่ามันไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวกับมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะบุญกับกรรมใช่ไหยครับคืออย่างนี้เข้าใจที่หมอกเกรดถามเนี่ยคือประเด็นแบบนี้บางทีคําคําว่าบุญเนี่ยแต่คําว่ากรรมเนี่ยที่จริงเนี่ยอะคนไทยเราเยอะว่าแต่คน คนที่ไม่รู้ศัพท์คนนี้เลยแค่สองความหมายก็ความเข้าใจก็ไปกับลายเรื่องบางคนพอมองเรื่องกรรมเนี่ยไปมองเรื่องผลพอพูดเรื่องกรรมเนี้ยไปมองเรื่องผลไปมองเรื่องผลของเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนึ่งพอพูดเรื่องกรรมปุ๊บหมายถึงไปตัวผมเนี่ยนะแล้วเป็นผลที่ไม่ดีด้วยเขาพูดเรื่องกรรมเนี่ย พ อ, พอพูดเรื่องกรรมปุ๊บบางทีไปชี้ที่ตัวผลไม่ได้ไปชี้ที่ตัวเหตุสองพอพูดเรื่องกรรมปุ๊บไปมองว่ากรรมเนี่ยคือเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เศร้าหมองเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเลวร้วายที่พอพูดเรื่องบุญปุ๊บไปพูดถึงในเรื่องดีใช่ไหมแล้วบางทีไปพูดถึงว่าเป็นเนี่ยเลยแค่สับสองความหมายนี้ก็ก็ก็ก็ไม่ตรงแล้วเอาแยกคําว่า ก, กรรม เนี่ยจะพูดคาว่าบุญอย่างดีแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขไปบอกเรื่องงา น, นเรื่องทัศนะ เ, เรื่องความเห็นเรื่องความเห็นก็เรื่องปกติคําว่ากรรมเนี่ยศัพท์เนี่ยคําว่าการรมมะศัพท์เนี่ยเขาแปลาแปลว่าการจะทําไม่ยังยังไม่เป็นบุญเป็นบาวยังไม่เป็นดีหรือชั่วไม่ได้เป็นกุศลเรื่องกุศลก่อนเป็นกรรมเนี่ยกรรมมะศัพท์นี้แปลว่าการกระทําเช่น ถ้าการกระทําทางกายกายที่มีการเคลื่อนไหวไปด้วยเจตจำนงในการที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยในการจะทํากิจกรรมอย่างนั้นเขาเรียกกายกรรมถ้ากําลังจะพูดเนี่ยมีเจตนามีเจตจำนงแล้วก็เปล่งวาจาแล้วก็กล่าวกาลังพูดกัอนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจีกรรมแต่เวลาจะคิดเวลาจะคิดเนี่ยนะคิดแล้วก็พูดออกมาเลยเนี่ยไอ้ความคิดอ น, นั้น เ, เรียกมโนกรรมเนี่ยอันนี้เป็นกรรม แต่ถ้าหากว่าเครียดโกรธพอเครียดแล้วโกรธขึ้นมานี่นะไม่พอใจโกรธเครียดวิตกกังวลอันนี้เขาเรียกว่าอาคุศโณละกามตอนนี้มโนกรรมเนี่ยเป็นอาคุศลแล้วพอเครียดด้วยโกรธด้วยแล้วก็เรียกพูดวาจาชั่วออกมาปุ๊บนี่ก็วจีกรรมที่เป็นอกุศลเครียดด้วยโกรธด้วยก็กระทําออกมามีการบทุสร้เป็นต้นนี่ก็คือ กายกรรมที่เป็นอกุศลเห็นไหมนี่มันทําอย่างนี้เขาเรียกทำกรรมทีนี้ถ้าไม่ดีเช่นตัวดีเช่ น, ชนรักเมตตาปรารถนาดีเ อ, อื้อทอรจิตปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่ามโนกรรมที่เป็นกุศลถ้าหากโอ้จากการที่จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขด้วยเมตตารักปรารถนาดี พูดออกมานี่ก็เรียกว่ากีกรรมที่เป็นผู้สถ้าทําออกมาด้วยก็เรียกกายกรรมที่เป็นผู้ส่เห็นไหมกรรมยังไม่บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีเป็นคำกลางๆแต่ถ้าหากกระทำนี้ดีไม่ดีเขาเรียกอกุโสละกรรมถ้ากระทำดีเขาเรียกคุศลกรรมทีนี้เอาเลยทีนี้ส่วนคําว่าบุญมันตรงข้ามกับบาปไม่ใช่ตรงข้ามกับกรรมบุญศัพท์นี้ขเขาแปลว่าเครื่องชําระ เครื่องชำระจิตถ้าเราเกิดมีการชําระความโลภความโกรธความหลงชําระความเศร้าหมองเหงีจิตออกไปได้ปุ๊บเวลาใดเวลานั้นเขาเรียกบุญเนี่ยจิตมันเป็นบุญตรงนั้นน่ยถ้าเกิดมีเครียดโกรธวิตกกังวลกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงตรงนั้นเน่ยเขาเรียกบาปมันเกิดขึ้นก็ไปตรงกับคำว่าอกุศลนั่นเดีทีนี้ที่ห ม, หมอเก๊จะถามถามเรื่องผล ของบุญและบาปใช่ไหมว่าเออทําดีมันไม่ได้ดีทําชั่วมันไม่ได้ชั่วอะไรก็แล้วแต่เออทําชั่วได้ดีทดําดีได้ชั่วอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้หมอเกรบอกว่าเป็นคนเรื่องเหตุกับผลจริงๆเรื่องนี้เรื่องคาสอนพุทเจ้าเนี่ยพุทเจ้าไม่ได้บัญญัติสิ่งที่มันไม่มีจริงก็แสดงเรื่องที่มันมีอยู่จริงอายุตัวอย่างทั้ะ เ, เห็นช้ามีมีภาะสิบทหนึ่งที่เป็น เป็นพาสิทธที่พุธยาก ร, รับรองนะบอกว่าที่บอกว่าบุคคลบอกว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีก็ย่อมได้สิ่งที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ย่อมได้ภาวะที่ไม่ดีนี่ น, นี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเนี่ยพว อ, อ เอาพีชนิยามเอาพืชมาเป็นข้อวัดถ้าหมอปลูกมะม่วงมันจะออกมาเป็นมะม่วงเลยนะใช่ไหมปลูกขนุนเป็นขนุนปลูกนิ่นาเป็นนิ่งหนาปลูกทุเรียนจะออกาเป็นทุเรียนก็คือหย่อนเมล็ดอะไรลงไปมันจะออกมาเป็นอย่นั่นแหละเนี่ยพูดเรื่องพีชนิยามเรื่องเรื่องพืชพันนี้เห็นก่อนอันนี้เหตุกับผลตรงกันแล้วนะถ้าปลูกอะไรไปปุ๊บมันจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นแหละมันจะไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนี้ตรงกันนะ ทีนี้แล้วก็บอกบุคคลทํากรรมดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีทำกรรมชั่วก็นับสิ่งชั่วเดี๋ยว ค, ยค่อยดูตรงนี้เราปลูกมะม่วงปุ๊บได้มะม่วงต่อมาเราเอามะม่วงไปขายแล้วได้เงินโอ้โหปลูกมะม่วงแล้วได้เงิน อันนี้เห็น ม, มันเพี้ยนแล้วนะเนี่ยที่จริงปลูกมะม่วงมันได้อะไรมันได้มะม่วงแต่พอเอามะม่วงไปขายมันได้เงินอ้มันปลูกกันใหญ่เลยทีนี้พอปีต่อมาพวกปลูกกันใหญ่เลยปลมะม่วงเยอะราคากเมื่อฝนตกโห้ตายวันนี้ปลูกมะม่วงไม่ได้เงินมันไม่ได้เรื่องเลยทีนี้พอพูดถึงเรื่องเรงการทําดีมันค้ายกันแบบเนี้ยหมอแกทําดี แล้วมันเป็นความดีมันได้ดีตรงไหนหรูไ้ไเมื่อจิตที่คิดจะทำดีคุณภาพจิตที่ดีจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจิตที่มีความสุขปราโมทย์ปีติความสุขความโปรโดของโล่งเบามันเกิดขึ้นไอจิตที่ที่พอทาดีตัวเนี้ย มันก็เลยได้ภาวะจิตที่ดีเกิดขึ้นเหตุกับผลตรงกันหมหนึ่งเพราะทําดีทําเรื่องที่ดีเราจรึงได้คุณภาพจิตที่ดีเกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อได้คุณภาพจิตที่ดีเกิดขึ้นหมอเก๊ก็เลยได้มีบุคลิกภาพที่ดีตามมาบุคลิกภาพในการแสดงออกในการพูดจาในการอะไรเออมันเห็นไหมมันดีสองระดับเลยนะระดับหนึ่งดีระดับจิตสภาพจิตใจที่ดี ระดับที่สองยังส่งผมต่อบุคลิกภาพที่ดีมาด้วยทีนี้ระดับที่สามบางทีไม่ได้นะเช่นได้ราบได้เสียงระเสริญได้รับการยกย่องมีคนตอบแทนอะไรต่างมันคนละเรื่องเลยแต่เนี้ยอันนี้เป็นระดับสามมันไม่ใช่ระดับหนึ่งกับระดับสองแต่มนุษย์เราเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือ เราไปทําดีตรงนี้เราอยากให้คนยกย่องมันคนละเรื่องกันแล้วมันเหมือนปลูกมะม่วงเนี่ยมันได้มะม่วงเรียบร้อยแล้วมันอาจจะขายมะม่วงได้ใช่ไหมไอ้มะม่วงอ่ะอาจจะขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่ก็มันมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์มันคนละประเด็นกันมอเก็ตไปทําดีคุณภาพจิตที่ดีได้บุคลิกภาพที่ดีได้แต่ไปทําดีในสถานที่ที่คนไม่ชอบอในสภาพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเขาไม่ชอบลักษณะแบบนี้เขาไม่อยากให้ไปทําดีในหมู่บ้านนี้ เขาไปทําดีข mm. ึ้นมาแล้วเขาหาเสียงไม่ได้สมมติอย่างนี้นะเขาเกลียดหมอเกศนะเขาจันแกงก็ได้ก็ด่าก็ได้เขาหาใครมาทําลายก็ได้เพราะคุณไปทําดีในเกียดเขาจะทําให้ฐานเสียงเขาเสียหายแทนที่เขาจะได้รับยกย่องแต่ะเสริญเนี่ยเขาไม่ชอบเห็นไหมเนี่ยเป็นคนระเบิดนะแต่สภาพจิตที่ดีอหมอได้แล้วสภาพบุคลิกภาพที่ดีมันก็ได้แล้วแต่เหตุผลที่มันไม่ได้รับการยกย่อง พรไปทําดีที่ผิดบุคคลผิดการผิดสถานที่ไม่ดูให้รอบคอบต่างหาแต่ความดีมันก็เป็นความดีข้งมันอยู่แล้วคุณภาพจิตที่ดีมันก็ได้อยู่แล้วบุคลิกภาพดีก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปทําถูกการ น, นะถูกบุคคลถูกสถานที่นะมันจะได้หลายระดับเลยนะ 1. สภาพจิตที่ดี 2. บุคลิกภาพที่ดี 3. ก็คือได้ลาบได้ยศสุขสารเสริมได้ความสมหวัง สี่ก็คือมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยพ่อแม่ตูตาย่ายายสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้ความดีตามมาด้วยมันได้สี่สี่ห้าอย่างเป็นต้นมาเลยนะนี่แปลว่าอะไรฉลาดในการทําดี น, นั่นเองฉลาดในการทําดีแล้วก็รู้จักในการที่ทาดีในจุด ต, ตรงไหนอย่างไรเห็น ไ, ไหมงั้นผลนี่มันเรื่องเหตุกับผลในทางตรงกันข้ามถ้าหมอเกลีไปทําชั่วไปคิดอยากจะฆ่าคนอยากจะทําสิ่งที่ไม่ดีอยากจะเอารัดเอาเปรียบ อยากที่จะไปกันแกล้งอะไรใครก็แล้วแต่สภาพจิตเสียจิตของเสียจิตที่ไม่สะอาดจิตที่เป็นอะไรกับความทุกข์จิตที่เป็นไปกับความมืดบอดความนิตกกังวลความกลัวความเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีนี่สภาพจิตใจสองบุคลิกภาพสีหน้าแววตาบุคลิกภาพมันออกมาอย่างทะมึงถึงเลยนะตอนนี้ออกมาอย่างออกความเพียดความกัดกรมมันจะออกมาหเห็นเลยเนี่ระดับที่สองแต่คนอาจจะยกย่องัน ใช่ไหมยกย่องคนประเภทนี้ใช้ได้เว้ยคนประเภทนี้มันลักษณะใจกล้าเว้ยมันเป็นคนเจ้าพ่อดีว่าถ้าอย่างเนี้แล้วมีทรัพย์มีเงินด้วยมันต้องการจะมาทำบารัฐเอาเปรียบคนก็หลายคนยกย่องเต็มไปหมดในหมู่บ้านนะนคนเขาชอบเขา บ, บูชาเงินบูชาศยภาพมันคนละเรื่องกันนะเนี่ยเพราะมันไปทําทําชั่วในในในในหมู่บ้านในในในสถานที่ที่คนชั่วมันมีเยอะมันก็เลยแห่ตามกันไปใหญ่ มันก็เลยได้รับเสียงสารเสริญโอ้ยให้คะแนนเสียงให้ไรายใหญ่เลยสภาพสังคมความเสียหายในหมู่บ้านมันตามมาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเหตนี้สังคมเป็นอย่างไรบ้างนะคมที่ปัจจุบนันก็เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรอา่ามันต้องมาดูกันแล้วทีเนี้ยก็ย้อนกลับมาว่าเพราะตั้งแต่การแต่งงานเนี้ยมันไม่ได้คิดผลิตทาญาตที่ดีออกมาสู่สังคม เห็นนี้อย่างเดียวนี้ให้มันย้อนออกมาเรื่องการแต่งงานนี่แหละแปว่าถ้ามันถ้ามนุษย์มันเข้าใจสิเข้าใจเรื่องคมว่าความดีดีระดับจิตใจยังไงดีระดับบุคลิกภาพยังไงดีระดับที่สามที่สี่ยังไงนหแล้วก็สร้างบุคลากรที่เข้าใจเรื่องความดีเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ขยายพลังของความดีเหล่านี้ให้ข้อมูลพลังความดีอย่างนี้ อาันยกตัวอย่างหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันก็มันก็ความดีมันก็กระจายลองนึกว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ทานแก่คนทุศีลกับให้ทานกับคนมีศีลจึงมีผลต่างกันถ้าเราไปให้ทานนะสมมติว่าให้อาหารแก่คนชั่วแก่คนคนคนมิจฉาทิฏฐิความเิ่นผิด ไปให้อาหารไปให้เครื่องนุ่งหง่มไปให้ยาไปให้รับการช่วยเหลือแก่คนชั่วคนที่มีความเห็นผิดถ้าคนนี้เขาได้ความได้กำลังได้อายุยืนได้ผิวพรรณงามได้ความสุขแต่เขาไม่ถูกแก้ด้วยทัศนคติแล้วไอ้พวกนี้ถ้ามันมีกำลังมากๆแล้วอะไรจะตามมานี่เห็นไหมแค่ในยุคนี้แค่เราจะไปช่วยคนเราก็พลาดแล้ว เราไม่เคยไปใครเนาะที่เป็นคลีนของสังคมเป็นคนที่สะอาดเราไม่เคยมองก่อนว่าเราต้องเกื้อหนุนให้คนเอาเกื้อหนุนว่าจะจะให้ทานให้เครืที่อยู่อาศัยแก่คนดีให้เครื่องนูกหงษ์แก่คนดีให้อาหารแก่คนดีให้ยาแก่คนดีแล้วก็ให้โอกาสแก่คนดีแล้วก็ส่งเสริมคนดีถ้าถ้าเราทํานี้พระพุทธญา้าบอกว่าถ้าเราคนส่งเสริมแบบนี้ทําแบบนี้ที่คนดีมันจะมีพลังขึ้นมา คนดีจะมีศักยภาพขึ้นมาคนที่เป็นสมัยที่ถีความเห็นที่ถูกต้องมันจะมีศักยภาพแล้วมันจะแผ่ขยายมากขึ้นสังคมนั่นแทุกวันนี้แค่เราจะไปช่วยคนยก็พลาดแล้วเพราะเราไม่เคยรู้เลยนะเราอยากจะไปช่วยใครนะโอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราวิ่งไปช่วยแล้วเราไม่เคยไปเคลียก็เลยนะไอเจ้านี้เป็นมิจฉาทิถีไหมเห็นผิดดูเห็นถูกไ ด, ได้ได้กําลังอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะขยายความชัว่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ เห็นไหมแค่เราช่วยคนเราก็ไม่ชานฉลาดแล้วพุทธเจ้าทิ้งบอกว่าเป็นการให้ทานที่ไม่ฉลาดยังมีประโยชน์อะไรนี่เมื่อเราไปส่งเสริมให้คนประเภทนี้มีพระกําลังขึ้นมาเห็นไหมเหมือนกรณีที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเนี่ยก็คือไปให้ทานเขาไปส่งเสริมเขาเด่นเราเลือกคนตีเป็นตัวแทนของเราสักคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ดันไปเลือกคนแบบเนี้ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตวิชาทิฏฐิแล้วไปเลือกคนคนนี้ไปให้มีอำนาจขึ้นมายุ่งใหญ่เลยนนี้เห็นไเหตุผลเพราะอะไรเราขาดปัญญาในการวิจัยแยกแยะมนุษย์ถ้าเราลองมีปัญญาสิเหมือนทําไมพระรยาบอกว่าให้ทานแก่คนผู้ศีลมีผลต่ํามีอานิสงส์ต่ําเพราะมันเป็นโทษต่อสภาพสังคมสิ่งวแวดล้อมถ้าให้ทานเป็นต้น กูลเนคนมีศีลมีผลมากมีอานิสงส์มากทำไมั้งพูดอย่างนี้เพราะคนที่มีทั้งพฤติกรรมทางกายก็ดีพฤติกรรมทางวาจาก็ดีสภาพจิตใจก็ดีแล้วมีปัญญาดีลองไปส่งเสริมคนประเภทนี้สิแล้วให้โอกาสคนประเภทนี้อีกพวกนี้มีศักยภาพมันก็จะทำสิ่งดีๆออกมาแต่นี่มันช้านฉลาดทีนี้สังคมเรามันขาดมันขาดคนที่จะไปชี้แนะตรงนี้ด้วย อย่าแปลกใจที่หมอแพทย์ไปเจอมันเป็นเรื่องปกติมันเรื่องเหตุเรื่องผลเมื่อไปไปสร้างเหตุแบบนี้ผลมันก็มาอย่างนี้มันไม่เห็นน่าตื่นเต้นอะไรเลยเนี่ยเด็กเกิดเด็กคนหนึ่งเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ได้มีทางเลือกพ่อแม่เขาขายยาขายบริการล้วเด็กเด็กคนนั้นเขาไม่ีทางเลือกได้ยังไงเพราะั้นไงก็เพราะเขาได้สิ่งแวดล้อมแบบนั้นเมื่อเขาได้ เขาได้สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเปลี่ยนได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้เหตุปัจจัยพอหรือไม่พ <analyze> อมันเหมือนกรณีอย่างเนี้ยมันเหมือนแอเนี่ยถ้าเอาช่างที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมายัางไง่าก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเอาคนรู้เรื่องมาเขาแก้ได้เพราะเขารูกก้นเหตุปัจจัยคนนี้เหมือนกันกรณีเราจะช่วยมนุษย์สกคนเหมือนกันมันอยู่ที่เราเราฉลาดพอในการที่จะแก้ให้เหตุปัจจัยไหมถ้าไม่ฉลาดยังไงก็แก้ไม่ได้มันอันเดียวกันเลยหมอมันทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมด มันเหมือนรถคันหนึ่งเสียเนี่ยเราเอาที่ช่างเนี่ยมันชํานาญหรือไม่ชํานาญรู้องค์ประกอบหรือไม่รู้องค์ประกอบเออเหมือนกรณีที่ให้คนคนหนึ่งเนี่ยหมอเนี่ยหมอรักษาโรคเนี่ยหเอ้ยคนนี้เป็นโรคแบบเนี้ยหมอเนี่ชาญฉลาดหรือไม่ชาญฉลาดมีทักษะมีความรู้มีความสามารถแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่หมอเลยรักษาได้หมอแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยในกรณีที่ร้อยสายโรครักษาโรคใช่ไหมล่ะเผลอๆบางทีทําให้ซ้ําเติมโรค่แย่ลงตายก็มีอย่างนี้เป็นต้น อันเดียวกันเรื่องโลกเรื่องเบร น, นี้มันเรื่องเรื่องกระแสชีวิตนี่เหมือนกันในกรณีที่เราจะช่วยคนเนี่ยถ้าเราเห็นองค์ประกอบทั้งหมดเขาเรียกมันมองออกหมดเหมือนหมอเห็นคนไข้ปุ๊บแค่มาสัมผัสแล้วคุยรู้ทันทีแล้วเราบอกว่าเออตรงนี้เรารักษาเนี่ยหายแต่ต้องไปแก้พฤติกรรมนะ แต่เจ้นี้เรารู้แล้วมันไม่แก่เดี๋ยวก็มาขึ้แล้วไอ้เบาหวานเนี่ยเด็กก็มาขึ้ น, นลแล้วไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยเราบอกว่าอย่างนี้อย่างงี้มันก็กินตามใจปากแก้ได้ไหมไม่ได้ก็แต่เดี๋ยวรักษาตามอาการไปแนละ้วเดี๋ยวนี่มันแก้ไม่ได้แบบนี้มันอันเดียวกันในกรณีที่เราจะไปแก้เด็กสักคนที่มันไปอยู่ในสภาพถึงนวัรล้อมเราเราเร า, เราแก้องค์ปกรกันไหม ถ้าตัดเหตุปัจจัยองค์ประกอบได้เอามาฝุกฝนพัฒนาให้อยู่สิ่งแวบดบล้อมดีๆแล้วศักยาภาพเพียงพอไม่ต้อแค่ได้แต่อาจจะเหนื่อยแค่ น, นั้นเองแต่เราต้องไม่ทุกข์นะถ้าเราก็รักที่จะแย่แต่ในกรณีเหมือนกันว่าในคนที่กําลังหน้าสิวหน้าขวานคนดีๆเนี่ยแต่กําลังมีสภาพสังคมที่กำลังคืบค้างเข้าหาเขาเนี่ยไอ้นี่ก็อีกเยอะใครเคยคิดไห้คนดีๆทั้งหลายเหลา่านี้ที่กําลังจะถูกดึงไปอีกก็มากมายเนี่ยใช่ไหมละ่ะกับคนที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ย เขาถึงแบ่งคนไงหมอพริรยาบอกอุคติตันยูพวกนี้ชันฉลาดแก้ไขได้เร็วยุบจิตนตยูต้องใช้ความเพียนเยอะระดับหนึ่งแต่แก้ไขได้แต่ลองเป็นยาที่สามในยะพวกนี้ต้องทุ่มแล้วตทุงมีกทุ่มนี้แต่สามารถเอาไว้แต่ปทัทาประมะพวกนี้ตัดออกเลยคุณต้องอย่าเสียเวลากับมันพวกเนี้ยเออถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันมันคลีนมันมันขีดวงจรน้วมอ่านสังคมขาดมันเป็นนักสังคมสดยเฉพาะได้แต่ถ้ามัน ยังมัวๆอยู่เลยเนี่ยไม่เรื่องแล้วตรงนี้มันก็โอ้โหแก้ไงก็ไม่จบนนข้าวตัวเองเครียดเองนนข้าวยิ่งไปหมกกับปัญหาเปหมกมุ่นกับตรงนี้ถ้าคนเป็นปะทะประมะนอยู่แย่สุดๆแล้วมันต้องวางต้าทีทางใจแล้วไอ้คนสามกลุ่มนี่ถ้าปล่อยไปยิ่งเป็นภัยใหญ่เลยมันยังอ่อนแอกันอีกเยอะมาก่นี้เป็นตัวพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าละเลยกลุ่มที่สี่ กลุ่มที่สองนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนี่เต็มที่กลุ่มที่สามก็ให้ข้อมูลไปเรื่อยๆป้องกันป้องกันไอ้ที่ไม่ได้ก็ไม่เสียใจยที่อะไรได้จัด ก, การก่อนเนี่ยเขาแก้ปัญหาสังคมอย่างนี้เลยเน่ะนี่คือแก้ด้วยปัญญาไม่ใช่เอาแค่ความเข็นหรือความเชื่อแต่เอาปัญญาเป็นตัววินิจฉัยเหมือนหมอเนี่ยหมอดูคนไข้ปุ๊บโอ้โหเราเป็นอะไรเนี่ยเดินเป็นระยะสี่เนี่ยนะ อยากช่วยมันน่ะจริงๆแล้วระยะสี่มันช่วยไม่ได้แล้วประคองไว้ตามจัญญาบานันไดเอยยังไงมันก็ไม่มีปาฏิหาริย์แล้วสนีะ่ระยะขนาดนนตอนเป็นไม่มียาเทวดาแล้วแต่ว่าเอาละเขาจะอยู่ได้ขนาดไหนให้คุณภาพชีวิตดีแค่ไหนอย่างไรแค่นั้นเด็กแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งระยะสองโอเคเลยนะเนี่ยวัดกันแล้วแต่เนี้ยสัญยาภาพเราถึงไหย เห็นไหมแม้แต่โรค ก, ก็ยังต้องวิ่ิ่งใช้เลยเดีย๋ยวว่าแต่การจะไปแก้ปัญหาชีวิตของคนหรือของชีวิตเลยที่มันซับซ้อนมากกว่าเอไโรคที่เราเห็นนี่อีกมันซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันขึ้นลงตลาดเวลาต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจของเขาและการสั่งสมของเขาแต่ถ้าเรารู้รายละเอียดเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะแก้ไปตามสถานการณ์แล้วก็ต่อ บ, บริบทแต่ว่าเราจะเริ่มทุ่มไปแล้วว่า ศักยภาพที่เรามีเราควรจะทุ่มตรงไหนเราควรจะดําเนินยังไงที่จะให้ดีที่สุดได้ผลมากที่สุดเรามีทรัพย์แค่นี้เรามีศักยภาพแค่นี้เรามีชีวิตอยูย่ก็เพียงแค่นี้แต่เราจะต้องทําให้มันได้ดีที่สุดแล้วก็มีผลมากที่สุดแล้วน่าภูมิใจที่สุดเริ่มมันจะมันจะเริ่มหมุนชีวิตเป็นอลไรตัวนี้ไม่ใช่ว่าไปจมปากกระโโลก็อีกประเภทที่สี่แล้วก็เครียดกลุ่มทุกข์กับมัน แล้วก็โหทำไมสภาพสังคมมันแย่ลงแย่ลงมันไม่ใช่แก้เขาไม่ได้อย่างเดียวเพล่เพล่เราแย่ก็าอีกเราไปติดเชื้อเชื้อทัศนคติผิดผิดผิดผิดพลาดอีในเข้าในเข้าลราก็จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยความคิดกวนหลุมหนึ่งก็าเรียกว่าล่องลึกและแข็งทื่อ 2. ลังเลและสับสนโหนจะไปยังไงชีวิต 3. เครือบแฝงและปะปน เอาสูตรนั้นมาเอาสูตรที่มาที่ผสมผสานไปใหญ่เลยนี่แก้ไม่ได้เพราะเราก็ไม่ชัดมันเครือแฝงและปะพนสุดท้ายก็ล้าหลังและถดถอยไปไม่เป็นกนายกระพับใช่ไหมละ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้ไหมสภาพสังค ม, มท่านเป็นอย่างนี้เราก็โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเราต้องฟื้นตัวเองก่อนดีกว่าแล้วการเปมองให้มันชัดขึ้นอยู่ข้างบนแล้วมองให้มันชัดและเราจะพุ่งไปเดนประเด็นไปที่จุดไหน ไม่ใช่เอาแค่ชอบแล้วเอาแค่ชอบอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องปัญญาสกรีมลงไปแล้วว่าว่าเอาละเราจะทำตามปัญญาบอกคือความจริงมันอย่างไรหนึ่งหนึ่งให้เห็นความจริงสองมันถึงจะเอาประโยชน์จากความจริงได้ท่านท่านยังมองความจริงไม่ชัดยังคลุมเครืออยู่ไอย้ยางนั้นต้องต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ชัดเองนะ เราไม่ชัดเองอันนี้ต้องเข้าใจก่าจะชัดไม่ตอบเยอะเลยก็จะแ ย, แยกแยกแต่ว่าอ๋อก็อนฉันพูดที่หมอถามเรื่องบุญกับบาปบุญกับกรรมแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลอันนี้เคลียร์แล้วนะใช่ว่าจริงๆแล้วเราสับเราไม่เข้าใจส่วนหนึ่งหรือเราอาจจะเข้าใจเพี้ยนไปนิดนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลของบุญและบาปผลก็ผู้ส่วนและผู้สว่วนมันได้ที่ใจของมันส่งผลที่บุคลิกภาพ แล้วก็ส่งเหมือนที่ได้ราดเสรได้ยอะเสร็จเยอะอันนี้มันรายละเอียดเยอะเหมือนกระปุกมะม่วงได้มะม่วงมันตรงตัวมันอยู่แล้วแต่คุณอาจจะขายมะม่วงไม่ได้หรือขายมะม่วงได้มันอยู่ตามสภาพเพราะสภาวะความต้องการดีมานซับไายมันต่ำมันแค่ไห น, นย่างไงอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดพ่อเห็นชัดไหมครับหมูอ่าไงพ่อเห็นไหมจินตเข้าใจเข้าใจนะนั่นตรงเนี้อยากให้เรามองอะไรมองแบบค l ี a หมอเป็นคนเจตนาดีอยากจะช่วยสังคมอยากจะแก้ปัญหาเจตนาดีอย่างเดียวเจตนาดีดีอยู่แล้วเพิ่มข้อมูลความรู้และความเข้าใจให้ชัดหนึ่งเจตนาดีสองปัญญาถึงนี่ทำอะไรได้เหมือนมีเจตนาดีจะเขียนกฎหมายเขียนกฎหมายห้ามนั่งกระบะาุนี้านยะนี่ไม่ดูความจริงของสังคม สภาพชนบทเขาอยู่กันยังไงเขาต้องใช้กระบะขนของด้วยนั่งบนดินใจท้ายด้วยนี่กรณีเจตนาดีนะเหมือนจะไปดูแลชีวิตเขานี่เรียปัญญาไม่ถึงแค่เจตนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มทักษะข้อมูลความรู้ความฉลาดความเข้าใจให้รอบและเราจะได้มีไม่มีความรู้สึกว่าท้อท้อต่อสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง จงมองเห็นทุกอย่างแล้วก็ศึกษาดูาว่าเราจะมนุษย์เราเนี่ยที่มันไปนแก้ปัญหาแล้วมันไม่ไม่นันเพราะว่าเราเราไม่ไปเห็นความจริงถ้าเรารู้ความจริงเห็นความจริงพวกมันจะได้ไปอยู่เหมือนกรณีที่เราไปมองบุคคลถ้าเราแยกพวกเช่นคนที่เขาพ่อแม่ติดยามีโรคร้าย มีลูกออกมาต้องเห็นความจริงก่อนนะ ว, ว่าทำไมเขา เ, เกิดในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถ้าเรารู้แค่ปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะต้องรู้ว่าอ๋อกระแสชีวิตที่มันต้องมาเกิดในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันสัมพันธ์กันยังไง DNA มันเกี่ยวข้องกันยังไงเอาเลยต้องรู้ถ้าเราต้องการอยากจะดึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มาก็จะแก้ไขเราต้องใช้พลังเยอะนะแล้วอายุเราศักยาภาพของเราข้อมูลความรู้เราเราจะต้องเจอปัญหามากนะเหมือนกรณีที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาในสถานสงเคราะห์เด็กที่มีปัญหาทั้งหลายอะไรเนี้ยโอ้โห ค, คุณต้องศักยาภาพเยอะเพราะกลุ่มเหล่านี้เขาได้สิ่งแวดล้อมไม่ดีเพี้ยงมาหมดใช่ไหมลนะ่ะ ถ้าเราไปศึกษาเราจะรู้เข้าใจเต็มทีนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็มีอัตราเสี่ยงอีกเยอะมากเพราะสภาพสังคมก็แย่ลงแย่ลง <c oughs> ถามว่าจะเอาไหนถ้าคุณมีทรัพย์แค่นี้มีศักยภาพแค่นี้ยระหว่างทำคนดีให้มีพลังมากๆแล้วเพิ่มขยายคนดีแล้วจะได้เป็นเป็นแบบอย่างให้กับคนไม่ดีหรือมัวแต่ รีบไปแก้คนไม่ดีทั้งปล่อยคนดีกลับกลายเป็นคนไม่ดีขมทับทงกันไวมันจะกลายเป็นปัญหาเลอะเทอะตามมาหรือเปล่านี้ก็ต้องไปแยกนี่นี่ยกแค่ตัวอยา่างยกแค่ตัวอย่างว่าเราเอาแค่เชื่ออย่างเดียวไม่พอแล้วเราจะต้องบอกว่าทรัพย์สมมติว่าเรามีทรัพย์อยู่ประมาณเท่านี้ศักยาภาพประมาณเท่านี้ชีวิตที่จะเหลือประมาณเท่านี้แต่เราต้องการอยากจะทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอันนี้ต้องมามาเคลียร์ประเด็นนั้นอีกทีแล้วจะ ต้องมาเรียรกันแล้วว่าเออพอชีวิตที่เหลือเนี่ยมันมันมันมันสั้นลงแล้วโอกาสในการที่ทําดีเนี่ยเก็อย่างบอกว่าถ้าเราจะช่วยคนดีเปิดโอกาสให้คนดีขยายคนดีขึ้นมาเนี่ยพลังของความดีมันจะขยายได้เร็วนีแล้วถ้าหากว่าไม่มีใครไปทุ่มตรงนี้เลยเสียหายมากเลยนะเลยทุ่มกันแบบผิดๆที่เราเห็นเกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นรายละเอียดก็ว่ากันเองนี่เชื่อเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่รู้อยู่ พรจะชัดไหมเครียดไหมเครียดหรือเป่ออเมื่อกีที่หมอบว่าเป็นคนที่เรื่องในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องเหตุและผลชัดเป็นเป็นเรื่องเหตุกับผลสร้างเหตุยังไงก็ผลออกมาอย่างนั้นอย่างที่บอกนั่นจริงเป็นเป็นไปลักษณะอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ย เรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบเคลือบแฝงและปะปนโดยมากเราจะที่เราได้รับสืบสืบเป็นมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคำสอนพระเจ้ามันเคลือบอยู่มันก็ทำให้เรามาเรียนรู้ทีหลังเนี่ยมทัศนคติต่อคำสอนที่ผิดเพราะผิดขึ้นมาเราก็นึกว่าเป็นอย่างนงั้นจริงจริงเนี่ยพอมันเป็นอย่างจริงเรารู้สึกคำสอนที่ใช่ไม่ได้แต่ก่อนยันเป็นแบบเนี้ย ก่อนหน้านั้นที่ฉันยังไม่ได้มาเจาะเชิงลึกโอ้โหมันมีสิ่งอะไรมาแฝงเยอะมากเช่นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้มันมามาเคลือบอยู่เนี่ยไอตัวเนื้อแท้ของคําสอนเนี่ยมันอยู่ข้างในนั่นถ้าเราเจาะเนื้อแท้เราจะรู้โอ้โหเราไม่น่าละเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรอยู่เป็นต้นมีอะไรอย่างสอบกัง หายแค่นี้หายยังไงอ๋อเพราะอะไรถึงหายเพราะอะไรถึงหาย อ, อาจจะไปไปมองหน้ากันฟังคำเขาหายเลยตรงนี้จริง ๆ, ๆที่หายเนี่ยเพราะว่ามันได้อะไรมันได้ข้อมูลมันได้ปัญญา พอปัญญาเกิดขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นมาในความมืดในใจมันก็ถูกทำลายเหมือนเราจุดประทีปในที่มืดมันก็เห็นพอเห็นปุ๊บมันก็โอ้โอเคแล้วมันคลายล็อกในใจได้พุทธศาสนาเนยขับเน้นที่สุดก็คือว่าเนี่ยแสงสว่างปกติเนี่ยเราจะควม่มความนา่าก็คือจมอยู่กับความเห็นที่ไม่ถูกแต่พอมา ความคาสอนพุทเจ้าพบเนี่ยพุทธเจจะจับเราหงายออกจากสิ่งที่ไม่ถูกจากความจากความหน่าอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกให้หงายกลับมาอยู่สิ่งที่ถูกก็เรียกว่าเปิดของเขาเรียกว่าหงายของที่ความเปิดของที่ปิดเราถูกความเห็นไม่ถูกเนี่ยปิดอยู่พุทธเจ้าก็มาเปิดแล้วเปิดของเปิดเปิดของผิด เปิดพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเปิดของปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บก็เห็นความจริงล้วก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยแล้วก็อย่างชี้ทางเนี่ยเหลงทางแต่ก่อนความคิดเรามันสับสนแต่พอได้แนวทางได้หลักการได้วิธีการวิจิตปุ๊บมันเห็นทางเดินของจิตคือการทางดำเนินชีวิตมันรู้สึกโล่งแล้วอย่างมันมืดเหมือนจุดประทีปในที่แสงสว่างเหมือ น, นกันที่มันหายเครียดเพราะมันได้ปัญญา ว่าเหมือนเหมือนเราขับรถแล้วหลงอย่างนีง้ยิ่งตะปายิ่งยิ่งอึดอาดใหญ่แต่พอหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็พอพอมันนึกออกขึ้นมาโอโ้โหโลกเลยอันเดียวกันการดําเนินชีวิตทุกเรื่องปัญญาถึงสูงสุดพระเจ้าบอกว่าปัญญตรดาสภะทำมาทำทั้งหลายมีปัญญาสูงสุดกระแสชีวิตเนี่ยถ้ามีปัญญามีความรู้ความเข้าใจขึ้นมา คุณไม่ต้องไปบอกคุณนับถือาศาสนาไหนแต่ถ้าคุณพัฒนาไอ้ตัปัญญาตัววิสต้อมเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บพอรู้แล้วเข้าใจขึ้นมาเนี่ยหลาว่าพุทธคือตัวเนี้ยพุทธศัพท์นี่คือปัญญาที่รู้ความจริงปัญญาที่เข้าใจความจริงปัญญาที่เจาะทะลุความจริงปัญญาที่เปิดเผยวความจริงออกมาตัวเนี้คาว่าพุทธะคือคํานี้คุณจะเป็นนับถืออะไรไม่เกี่ยวแต่พุทธเขาแปลว่าปัญญาที่เขาไปรู้ความจริง ถ้าใครพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาได้คนคนนั้นคนจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธมันก็เป็นอยู่แล้วก็สุปัญญานี่นเดียวคเดียวกันแค่นี้เองหลักการอันนี้แค่นั้นเองนั่นก็สิ่งที่มนุษย์ขาดเปนยิน่งที่คือตัวปัญญาตัวนี้บางทีเรารู้ไม่จริงเรารู้ไม่หมดเรารู้ไม่รอบเรารู้ไม่ลึกมันก็เลยแก้ได้ผิวเผินสังเกตดุไหมสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่เราทําแล้วมันผิดพลาดๆเนี่ยมันขาดไอ้ตัวนี้ขาดไอ้ตัวปัญญานี่แหละ แต่ถ้ามันได้ตัวนี้เสียทุกเรื่องมันแก้ไขได้หมดดงั้นสิ่งที่ควรสแสวงหาก็คือปัญญามันจะทําลายความเห็นไปเลยไอ้ที่เราเห็นอย่างเนี้ยมันก็เอาไว้อตราาจะยึดเข้าไว้ในะความเห็นแต่พอปัญญามาปุ๊บความจริงอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้ในความเห็นมันก็ถูกทำลายแต่ถ้าความเห็นนั้นมันสอดร้ อ, องความจริงก็โอเคโอ้เห็นนี่ถูกเห็นไหมมันเห็นถ้าถูกอย่างนี้เป็นต้น ฉะน้นความเห็นเนี่ยก็ต้องล็อกไว้ก่อนอันนี้เป็นความเห็นนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าปัญญามาประจักษ์แจ้งชัดโอ้เนี่ยมันอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้แต่ระวังความเห็นเนี่ยถ้ามันไปนฝังฝังไว้มันจะลึกพอลึกขึ้นมามันแข็งทื่พอพราะแข็งทื่อมามันกลายเป็นกราะปิดเลยตรงเนี้ยปิดเลยเป็นตัวปิดทําให้ปัญญาไม่ได้ทําหน้าที่ได้เต็มที่เลยเสียโอกาสฉะนั้นตรงเนี้ย ความเห็นมันดีนะระดับแต่ต้องพัฒนาตัวตลดต้องพร้อมที่จะรับฟังอะไรมากถ้าไหนสุดจริงๆมันจะสามารถปลดล็อกในใจหรือว่าความทุกข์ในใจ ค, ความเครียดความกุ้มทั้งหลายเนี่ยมันถูกขจัดได้ด้วยปัญญาก็คือแสงโซนปัญญาว่าแสงสว่างเสมอได้ปัญญาไม่จะได้ตัวนี้ขึ้นมานี่มันจะได้จากอะไรปัญญาก็จะได้จากการฟังนักธมาให้ครควญ และจนเห็นประจักษ์แจ้งมันจะต้องทาให้เกิดขึ้นนันชีวิตครอบครัวก็ดีชีวิตตัวทั่วๆไปก็ดีตัวปัญญาเป็นสำคัญในการที่จะดเนินชีวิตได้อย่า ง, างถูกทางประสบคนแต่งงานแล้วไปอยู่ที่ไหนกันหรียอยู่ที่เดิมที่เดิ ม, ดมดตกลงเรื่องการ มีลูกเนี่ยยังตั้งเจตนาเดิมไม่ไม่อยากมีใช่ยนาจริงๆ <c oughs> ริงอ่ะถ้าเห็นไหมชีวิตแต่งงานถ้ า, างั้นเราก็เหลือแค่มิติเดียวไอจุดหมายหลักก็คือการจะสร้างฐานยาทที่ดีก็จะมาเกื้อกูลและเป็นสังคมทั้งหลายเหลนี้ทําให้สังคมได้สิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งหลายจุดหมายหลักเหลนี้ก็หายไปเลยนะก็ะเหลือแค่จุดหมายรอง การอยู่ด้วยการเกลือกูลกันมีความสุขควาดำสิเรื่อยๆสิ่งที่เป็นหยดต่อต่อไปเลยใช่ไเราก็แต่งงานหยดได้แค่จุดหมายเท่จุดหมายหลา ก, ก็หายไปเพราะจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราเข้าใจความเป็นยีนงขอชีวิตถ้าเป็นคนดีเราก็ต้องพยายามผลิตทายาทที่ดีออกมาเพื่อให้พยุงความดีพยุงสังคมแล้วก็เป็นหลักของสังคม เป็นคลีนต้นสังข์ขใช่ไหมเป็นคนที่สะอาดเป็นคนที่ดีตรงนีน้แล้วก็ให้เขามีศักยภาพมากที่สุดมากกว่าเราถ้าอย่างเนี้ยแต่นี่ก็มีบุญธรรมอย่างนี้ไนดะ้ป่ะก็ได้ก็เพียงแต่ว่ามันไอจะบุญธรรมหรือไม่บุญธรรมไม่เป็นไรตรงที่ว่าศักยภาพเราเราต้องสามารถให้เหตุปัจจัยเขาสร้างเขาเ อ, อเดี๋ยว นิดหนึง่งคาว่าพ่อและแม่เนี่ยก็แปลว่าอะไรรู้หนึ่งเป็นพ่อครมของลูกสองเป็นอาจารย์คนแรกใช่ไหมเปิด ต, ต้นเนี่ยคาว่าเป็นพรมของลูกเนี่ยถือคติว่าถ้าพระพรมในาศาสนาพราหมณ์เข้าแปลว่าพระพรมเป็นผู้สร้างสร้างมนุษย์สร้างโลกสร้างอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่พรมในพุทธศาสนาเนี่ยพ่อแม่เป็นพรมในที่นี้ก็คือว่า เป็นผู้แสดงโลกแสดงความจริงให้แก่ลูกก็คือมาชี้แจงบอกความจริงเปิดเผยโลกเปิดเผยความจริงเนี่ยว่า น, นี่นะโลกคือหมู่สัตว์เป็นแบบนี้อ่านให้ขาดโลกคือตัวแผ่นดินจักรวาลเป็นแบบนี้เนี่ยโลกแบบนี้โลกคือกระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างเี้ยเป็นแบบนี้ เนี่ยพ่อและแม่มีหน้าที่มาสแสดงโลกก็เลยได้สร้างโลกนี่สแสดงโลกสแสดงความจริงให้ลูกเกิดมาอย่ามึนอย่ามึนต่อโลกให้เข้าใจโลกเช่นสัตว์ตัวโลกก็หมูสัตว์ตทั้งหลายเนี่ยหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันโดยผิวพันธุ์โดยเชื้อชาติโดยความเชื่อโดยทัศน์แะความเห็นมันมาจากอะไรเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้มัน เพื่อกูนหรือไม่เกื่อกูลต่โลกใบนี้ถ้าทําแบบนี้มันจะทําลายโลกทําแบบนี้จะสร้างสรรค์โลกเนี่ยต้องมาแสดงโลกแสดงความจริงให้กับเขาและเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเกื้อกูลโลกมาพัฒนาโลกมาส่งเสริมทําให้โลกนี้ดีขึ้นสร้างโลกใบนี้โลกคือหมู่สัตว์ให้เจริญก็งามโลกคือแผ่นดินนี้ให้เจริญก็งามคือสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ดีงามเป็นต้นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยหน้าที่ของพ่อ ถ้าเราจะรับลูกเราก็ได้โลกบุญธรรมก็ได้แต่เราต้องมีหน้าที่เปิดเผยโลกและความจริงให้เขาเห็นและเขาให้เขาอยู่ในโลกใบนี้โดยความผาสุกและชาญฉลาดในการที่จะอยู่แล้วก็ชาญฉลาดในการที่จะปฏิบัติต่อโลกเช่นเขาจะปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไงปฏิบัติต่อพี่น้องปรูตาย่ายายยังไงปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ยังไงปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างไง หรือปฏิบัติต่อเจ้านายยังไงไอ้กรณ์อย่างนี้ก็คือมีหน้าที่สแสดงโลกในการให้เขาจะดาเนินชีวิตเป็นไปกับโลกเพื่อเกืลโลกมีพ่อแม่เป็นอย่างนี้ท่านหนูหรือถ้าเราเนี่ยฉลาดแบบนี้เข้าใจแบบนี้จะมีโูกบุญธรรมและโลกแท้ไม่สําสคัญเพราะใหญ่ยังไม่สําคัญตรงไหนไม่สาคัญตรงที่ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะเปิดเผยความจริงให้เขาได้ อยู่อย่างคนที่มีศักยภาพทื่พอไั้แล้วก็เตื่อนดูคนอื่นถ้าอย่างนี้เวลาเราจะเอาลูกใครมาเลี้ยงนะครัแต่ถ้ามันมองอะไรก็ไม่ออกเลยอยาเอาเข้ามาเลี้ยงเด็ ก, กัขา <laughs> ดแตนั้นโอ้เสียเลยเดีนี้เราไปให้อะไรก็ผิดผิดมาออมันจารวิสร้างอะไรขึ้นมามองเห็นเนี้ยก็ไปคิดกัน เ, เึงตัวนต้เราก็จะได้งเงอะไรถึงโอกาสด้วยไงเราจะแต่งเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นพรกันแ ล, ล้วคือว่าให้พร พรในที่นี้ก็คือว่าให้คำว่าพรสัตย์นี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าออให้พรให้ให้สิ่งที่สมปรารถนานมันแปลว่าไงเนี่ยเจ้าพระท่านบอกว่าอายุวันนะสุขาดภารปฏิภาณเวลาพระท่านบอกอภิวาทนาศวิริสานิจกรรมจริงๆน อายุวรนโนสุขังอะไรคำคำว่าอายุเนี่ยถ้าท่านบอกนั่นหมายความว่าถ้าปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนให้เธอไปเจริญฉันทะคือความรักความความรักความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในการที่จะนําพากระแสชีวิตในทางฉันทะวิริยะก็คือความเกล้ากล้าอาถารจิตตะก็คือมีจิตเกิดต่อมุ่งมั่น ปัญญาก็คือสอบสวนวิจัยแยกแยะในการที่จะดําเนินชีวิตให้ดีงามยังไงพี่ต้นถ้าเธอปฏิบัติธรรมะสี่ข้อที่เธอจะเป็นผู้เงียวยุ่ยคนนะเป็นชื่อของศีลถ้าอยากเป็นคนมีกระแสชีวิตที่สวยสดเงงามก็ให้ดําเนินตามจารีศรีลตามวัฒนธรรมประเพณีคือวันกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพที่บริสุทธิ์เธอจะมีวันหน้า ง, งานสุขะเป็นชื่อของสมาธิ ปรารถนาอยากจะมีความสุขต้องมีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นพละเป็นชื่อของปัญญากําลังก็คือปัญญาจะได้จัดมีพลังกำลังกายกําลังใจกําลังกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาท่านคำเน้นตัวกําลังคนหนึ่งมันจะได้สามารถฉลาดจัดแจงในสถางเดิมได้แต่เวลาพระให้ความเป็นภาษาบาลีเราก็เลยไม่เข้าใจหลักการจะขอดความออกมาได้คือ เยอะเข้าใจก็เลยเอาวให้พอรอะไก็ข อ, ขอให้ชีวิตครอบครัวในการที่หมอจ เ, เตรียมที่จะแต่งอะไรก็ขอให้ประสบความสุขและความสามบวังที่ตั้งใจปรารถนาสิ่งใดที่มันเป็นคุณความดีเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสมฤทธิ์ผมสมความมุ่งมา่นปรารถนาจนทุกประการขอให้เราเป็นสุข ตื่นเป็นสูตไม่ฝันร้ายขอให้เทอดารักษาเป็นกีรักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ไปสตรายาพิษโรคร้ายจะได้เบียดเบีย น, ยนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิจิตใจที่มั่นคงปราถนาา่าปราถนายอดปราถนาความสุขให้สมปราถนาในที่ทุกสถานในการดเธอนสาทุกัน <c oughs> เมื่อยไม่ร้อกวนหรอกเมื่อยไหมต้องต้องฝึกไว้สำหรับวันงานด้วยครับเจ็ตอต้องฝึกไว้เลยถ้าอาจารย์กลับพุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันเพนเสร็จฉันเพนเสร็จครับวัดวัดอยู่ที่ไหนอยู่เพชรชบูเออพญอยู่อยู่สุพรรณ พอดีฉันจิตฉันคล่องอยู่เพชรบูรณ์เลยไปคือฉันจะไปทำกิจกรรมที่เพชรบูรณ์ตอนช่วงบกุกกาลแต่ช่วงช่วงเดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่วันที่สิบห้าเนี่ยฉันจะไป ไปพมา่าไปกัยมบีกลุ่มยมีเพราะว่าจะไปพอดีสั่งบาทไปสี่ห้าร้อยใบจะไปเปลี่ยนให้กับพราเนรคือพราเนรเขาใช้บาทเหล็กก็ชัหนอาหารนด้บาทเหล็กมีพราอยู่พันสามร้อยูปวัดบาทเหล็กเป็นอันตรายโดยสุขภาพ คุณภาพชีวิตของคนมากเขาคือไม่ค่อยดีเน้ น, นเล็กๆดีถือบาตรที่เคยสับาตรไปหน้าร้อยใบไปเปลี่ยนไลครับพอเขาได้บาตรสแตนเลสไปแล้วเนี่ยเขาจะได้คุณเพราะเขาช่างใช้นนในบาตรเขถือการใช้นในบาตรเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะไปสองก็สั่งอาสนะเป็นผ้าพูหนนะเพราะเขาจะเวลานี้นก็จะมีผ้าปูหน้าอีกพันถึง กอดีเขาขาดหนึ่งคำก็เลยนับประโยชน์จัดแถวเลยแล้วก็ดีห้าหกพอีเขาต้องการคำแล้วก็ที่เขาสามารถก่มท่องหนังสือเพราะว่านี่เขาฝึกเน้นฝึกวัดแล้วเนี่ยเกื้อกูลให้กำลังแก่คนที่เป็นถือว่าเขาจะเป็นคลีมของสังคมเป็นหลักของสังคมขยานให้มีพลัง ฉันฉันจะเกื้อกูลก็ลฉันฉันมีทรัพย์เออไม่ใช่มีพลังขนาดนี้แต่ฉันเจะมองไปคนกลุ่มเนี้เพราะฉันว่าคนกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นหลักของสังคมมันเป็นตัวอยา่างเป็นแบบอย่างของสังคมต้องให้กําลังเขาต้องให้ความเป็นผู้มีอายุยืนเขาให้กําลังเขาให้ความสักดิ์เขาให้ให้ปัญญาเขาให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเขาศึกษาสิ่งที่ดีๆตั้งหลายแล้วเขาไปเปิดเผยสิ่งที่ดีๆตั้งหลายจะได้เป็นประโยชน์กันเลย ที่ฉันพยายามทุ่มที่จะทําำเลยนะเพราะว่าศักยภาพเราน้อยเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกใบ น, นี้น้อยมันต้องรีบทุ่มสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาไปทําหน้าที่ขยายให้เร็วที่สุดก็คิดทําตามที่พระพุทธเจ้ามองหลักไว้ว่าเอนแล้ว เ, ออลเราก็เขียนว่าเป็นอย่างนั้นเรามาพิจารณาดูแล้วว่าถ้าเราจะทุ่มชีวิตเราไปกี่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เราไล้น้ําใจนะ แต่สักวันหนึ่งก็มีศักยภาพนอกจากนั้ น, นเราจะทําทุกกลุ่มแต่ตอนนี้ขอพุ่งไปกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มที่มีศักยภาพหรือเป็นจุดนําของสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือคนอะไรก็แล้วแต่ทีเ่เขาผลิตคนที่มีศักยภาพทั้งหลายเราอยากจะเพื่อกลุป้องกันทําให้เขาได้เป็นหลักของสังคมนั้นนั่นก็เลยพุ่งประเด็นตรงก็บอกอยากิโยนที่รู้จักว่าเราต้องรีบระดมทําแล้วไม่จับตาว่าจะต้องเป็นประเทศไทย จะที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ถ้าเราเห็นคนกลุ่มเนี้เป็นคนที่จะเป็นหลักของสังคมเป็นคืนเป็นตัวอย่างของสังคมเป็นบุคคลที่สะอาดแล้วก็ทําให้สังคมได้มีความสุขได้มีพลังและให้ปัญญาของสังคมได้มากเท่าไรแล้วก็พึ่งไปที่ให้พลังให้กําลังข อ, งของ้งคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในในที่สุดจริงเราก็จะไปในโลกแล้วเราก็จะได้ตายไปอย่างมีความสุขเพราะเราได้ทําอะไรไว้ในโลกใบนี้ ก็เลยก็เลยตอนนี้ก็เลยมานั่งนึกๆแต่เริ่มตรงนี้โอเคแล้วก็อาจมรย์เนขอบคณอาจารย์เนีดูดูแลกันให้ดีนะ เมื่อยเยอะอะไรก็ดีได้